นโมตัสสะภะคะวะโต r a h นโมตัสสะภะคะวะโตอ r a h a t o นโมตัสสะภะคะวะโต a r พุทธังธรรมังสังฆังนามสามิข้างหลังดินนะอ่าวันนี้ตามา ตั้งใจจะมาคุยธรรมะนะจะเป็นลักษณะของการบรรยายหรือสนทนากาันมากกว่าการเทศนานะนธรรมเนียมเนี่ยเวลาอราธนาธรรมเนี่ยนะพระก็จะแสดงธรรมในลูปของพระธรรมเทศนาแต่ว่ า, าเพื่อให้เป็นกันเองหรือว่าไม่เป็นทางการเกินไปนะตมะก็จะมามาพูดในลักษณะของการ บรรยายมากกว่าหรือว่ามีการสนทนาซึ่งหมายความว่ามีการซักถามกันได้นะธร mm. มาเพิ่งเดินทางจากเมืองไทยเมื่อวานนะ mm. แล้วก็มาถึงที่นี่ก็เมื่อคืนนี้น ะ, mm. อะตอนที่มาที่นี่เมื่อเช้านี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีคน mm. ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้นะฮะ แต่ก็ยินดีนะที่ได้มาพบปะญาติโยมคนไทยนะตั้งแต่วันแรกนะที่มาถึงที่นี่นะซึ่งถือว่าเป็นต่างแดนนะสระอัตมาสำหรับพวกเราหลายคนที่นี่เป็นบ้านไปแล้วนะอย่างเราก็เป็นบ้านแห่งที่สองแต่อัตมาก็ยังถือว่าเป็นอาคารตุกกาอยู่นะเพราะฉะนั้นได้ได้เจอญาติโยมคนไทยซึ่ง หลายท่านหรือว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้ก็ได้นำอาหารมาถวายนะตั้งแต่เมื่อตอนเช้านะก็ต้องขอบคุณนะหัวข้อการบรรดาวันนี้เนี่ยขอตมาเนี่ยคืออยู่ทุกที่ก็มีสุขนะอันนี้หลายคนอาจจะค้านในใจว่ามันจะจริงหรือหรือมันจะเป็นไปได้อย่างไรแลนะเพราะว่าเออมันมีเฉพาะบางที่เท่านั้นแหละที่เราอยู่แล้วมีความสุขนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยควาว่าสุขในที่นี้เนี่ยอัตมาหมายถึงสุขใจนะสุขกายเนี่ยบางแห่งให้ความสุขกับเราแต่บางแห่งก็ไม่สุขกายเท่าไหร่นะเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพตอนนี้กลางวันเนี่ยนะอจะร้อนมากเลยนะกลางกรุงเทพตอนนี้ร้อนมากนะที่จริงไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะ ทั้งประเทศนะเพราะว่าฝนควรจะตกได้แล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยตกกันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพก็จะร้อนต่างจากที่นี่ที่หรือที่นี่เนี่ยที่เรียกว่าเย็นสบายมันมีบางที่ที่เย็นกายสุขกายแล้วก็บางที่ที่สุขจะสุกกายนะเย็นกายแต่ไม่ว่าที่ไหนเนี่ย เราสามารถจะสุขใจและเย็นใจได้ทั้งนั้นเพราะว่าความสุขใจเย็นใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรต่างหากนะ อาตมานึกถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะวันนั้นเนี่ยเป็นวันวันเสาร์ตอนบ่ายบ่ายเธออยู่กลางกรุงนะกรุงเทพอากาศร้อนมากนะร้อนเกือบสี่สิบองศาทุกวันนี้ตอนนี้ขนาดนี้เนี่ยนะก็ยังสี่สิบนะนะในในหลายแห่งนะกรุงเทพหรือว่า เห็นเพื่อนที่มาจากนครสวรรค์ก็บอกว่ามันก็ร้อนประมาณนั้นแหละผ mm hmm. ู้หญงคนนี้เนี่ยรู้สึกร้อนมากนะจนกระทั่งต้องมา อ, อยู่ในห้องเปิดแอร์เต็มที่เลยขนาดเปิดแอร์แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันมันร้อนนะ mm hmm. เธอก็รู้สึกหงุดงดิแล้วก็หงุดหงิดมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกดกริง่งไฟเส้ีมาหาที่บ้านมากดกริง่ง เธอเงินก็พ่อเธอไม่อยากจะออกไปรับเพราะถ้าไปรับจดหมายเนี่ยคือต้องออกจากห้องแอร์ไปเจออากาศที่อ้าวแล้วต้องเมื่อไปถึงประตูนเนี่ยก็ต้องเจอแดดนะบ่ายโมงอะมันร้อนแดดแรงเธอก็ไม่อยากไปรับแต่ว่าบุรีษัชรีรู้นะว่าในบ้านที่มีคนอยู่เพราะว่าเสียงเครื่องปรับอากาศมันดังแล้วก็บ้านข้างในเนี่ยประตูเปิดมีรถอีกต่างหาบุรีพัชรีก็เลยรอ แล้ไม่ได้รอเปล่าๆนะบุรีรัฒนีก็ร้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่งนะ mm hmm. เจ้าของบ้านนี้ก็รู้แล้วว่ายังไงเนี่ยเธอต้องออกไปรับเพราะว่าบุรีพัฒนีเนี่ยร mm hmm. อแน่ถ้าเธอถ้าบุรีพัฒนีไม่ออกถ้าเธอไม่ออกบุรปรัฒนีก็ยังไม่หยุดร้องเพลงเธอก็ออกไปรับจดหมายเจอกัศร้อนเจอแดดแรงนะเธอก็นะ ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่รับจดหมายเสร็จเธอก็พูดกับบุรุษปราศนีว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยยังมีอารมณ์มาร้องเพลงเลอพูดทำนองประชดนันนะบุรุษปราศนีคนนั้นเนี่ยเหงื่อเนี่ยเต็มเต็มเต็มหลังเลยนะเพราะว่าแกแกเดินนะแล้แกขี่จักรยานกี่มเอเตอร์ไซค์มาแกยิ้มแล้วแกก็บอกว่า โรคร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วเนี่ยมันใจเย็นครับนะพูดจบแกก็ขี่จักรยานต่อไปส่งไปที่บ้านอื่นคนนึงเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เย็นกายนะแต่ว่าใจหงุดหงิดอีกคนนึงเนี่ยอยู่กลางแดดนะแต่ว่าใจเนี่ยนะเป็นปกติ บุรุษประสิ น, นี้เนี่ยร้อนกายนะแต่ว่าใจแกเย็นแกเย็นเพราะอะไรเพราะว่าแกร้องเพลงนะแกรู้ว่าถ้าร้องเพลงแล้วใจก็จะเย็นซึงทั้งที่อากาศร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะว่าแม้ร้อนกายเนี่ยแต่ว่าใจเย็นนะแล้ ว, วิธททีที่ทำให้ใจเย็นเนี่ยมันก็มีหลายวิธีไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียว นะแต่ประเด็นสำคัญคือว่ามันอยู่ที่การวางใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะเราก็มีสิทธิที่จะสุขใจได้แม้ว่าที่นั้นจะร้อนแม้ว่าที่นั่นจะไม่มีความสะดวกสบายนะทางกายอัตามาไม่ปต้องยกตัวอย่าง พระที่อยู่ในป่าแล้วก็อัฐบริการหรื อ, อบริการเนี่ยก็มีไม่มากมีไม่กี่อย่างความไม่สุดกสบายทางกายมีเยอะนะเช่นต้องไปตักน้ำนะเวลาจะทำอะไรเนี่ ย, น, ยนะก็ต้องใช้แรงต้องเดินนะต้องแบกต้องหามแต่ว่า มีความสุขในขณะที่หลายคนซึ่งอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งแทบจะเดินไม่ถึง200เมตรเพราะว่านั่งรถนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่ว่าไม่มีความสุขใจนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสุขใจหรือว่าจะทุกข์ใจเนี่ยมันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นะมันอยู่ที่ใจของเราว่าเราเนี่ยจะวางใจอย่างไรอยู่ตรงนี้เนี่ยนะสถานทูตเนี่ยนะอาจจะอาจจะนั่งพวกเราจะนั่งไม่ค่อยสะดกสบายเท่าไหร่นะ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ถ้าไม่นับเรื่องความเมื่อยความปวดแล้วเนี่ยก็คงไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้แต่ทันทีที่ใจเราเนี่ยนะหวนไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตคนที่เขาโกงเงินเราหรือว่าเพื่อนที่ตําหนิตีเ ต, ตียนเรา หรือความผิดพลาดที่เราเคยทำนะกับผู้มีพระคุณซึ่งตอนนี้ท่านก็จากไปแล้วเนี่ยท่านที่ที่ใจเรอนนึกไปถึงเหตุการณ์ในอดีตล่านั้นเนี่ยเราจะรู้สึกทุกข์เลย ท, ทั้งทั้งที่ตรงนี้ก็สบายนะมก็นิ่มนะอากาศก็ไม่ได้หนาวหรือร้อนเกินไปแต่ทำไมใจเราทุกข์ละ ว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทุกใจเมื่อไปหวนนึกถึงอดีต ท, ที่เจ็บปวดที่ผิดพลาดนะหรือว่าที่เคยประสบความล้มเหลวทั้งๆที่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าใจเราเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านเลยไปใจเรายังไปยึดอยู่กับสิ่งที่มันควรจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะ ความทุกข์ของผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะโดยเพราะอาตมาว่าถึงทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคุณมีความทุกข์ในปัจจุบันแต่เพราะคุณยังไปยึดติดกับสิ่งที่มันควรจะผ่านไปได้แล้วนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นครูนะอายุก็ไม่มาก30บถูกโกงไปแสนหนึ่ง การหเธอก็เป็นเงินที่ก้อนเป็นเงินก้อนที่ใหญ่แล้วก็คงไม่มีทางจะได้คืนเธอเสียใจมากแล้วก็ขับแคนมันผ่านไปเป็นอาทิตย์ละแต่เธอก็ยังทุกข์ใจขัวนิดถึงแต่เหตุการณ์นั่นนะจงกระทั่งไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเดือนนะฮะ แม่ก็ขอร้องพ่อขอร้องให้กินข้าวเถิดให้ให้นอนเถิดให้พักผ่อนแต่เธอไม่ยอมทนะาให้น่าสงสัยว่าการที่เธอทนี้เธอทํอยางนี้แสดงว่าแปลว่าเธอรักตัวเองหรือว่าเธอรักเงินกนันแะน่หลายคนบอกว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองนะแต่ คนนี้เนี่ยแกกำลังทำร้ายตัวเองเพียงเพราะเงินแสนหายไปหรือถูกโกงไปนี่แสดว่ารักเงินมากกว่ารักตัวเองและพอ ร, รักเงินมากกว่ารักตัวเองเนี่ยนยก็ถึงทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะเสียแต่เงินนะเธอไม่ยอมเธอไม่ยอมให้เสียแตงเงินแต่ว่าใจก็เสียด้วย แล้วพอใจเสียแล้วนะกินไม่ได้นรอไม่หลับนะสุขภาพก็เสียเสร็จแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็เสียงานแล้วพออารมณ์หงุดหงิดมากๆเข้าเนี่ยก็ระบายอารมณ์ใส่เพื่อนก็เสียเพื่อ น, นีิแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนลนะ่ะราจจะเป็นคนรักเป็นลูกหรือเป็นพ่อแม่นะบางทีก็ ตวาดใสโดยที่เขาพูดจากผิดหูนิดเดียวเนี่ก็ตวาดใสแล้วบางทีพ่อแม่กลังป่วยด้วซ้า <c oughs> ก็การมาเสียสมบันิภาพนะคือถ้าเราฉลาดนะ <c oughs> เมื่อจะเสียเราเสียอย่างเดียวก็คือเสียเงินนะแต่คนส่วนใหญ่นี่ไม่เฉลียวใจนะว่าไอความไปยึดติ ก, กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วที่เอากลับมาไม่ได้เนี่ย มันทําให้เกิดความเสียใจเสียสุขภาพเสียงานแล้วก็เสียเพื่อนหรือว่าเสียสมรรถภาพถ้าว่าเขายอมที่จะปล่อยมันไปจากใจเนี่ยนะเขาก็ยังสามารถที่จะกินอิ่มนอนอุ่นหรือว่ากินได้นอนหลับนะแต่เพราใจที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางที่ต่างหาง ไม่ใชเฉพาะอดีตเท่านั้นนะที่ไม่อยอมปล่อยบางทีอนาคตหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยก็ไปห่วงกังวลนะบางคนก็ไปห่วงลูกว่านะลูกจะสอบข้าวมหาวิทยาลัยได้ไหมยังไม่ทันจะสอบเลยนะก็ห่วงแล้วว่าลูกจะสอบข้าไม่ได้นะไปห่วงว่าสิ้นเดือนนี้จะมีเงินจ่ายไหอสิ้นปีนี้จะมีเอ่อจะใช้นี้ได้หมดไหม อีกต้องหลายเดือนนะแต่ว่าไปกังวลละ่ะบางคยไปตรวจสุขภาพหมอนัดให้อีกสามวันมาฟังผลบอกว่าสามวันนั้นเนี่ยที่รอเนี่ยนะเหมือนกับเธอตกนรกเลยเพราะว่าปรุงแต่งนะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหนะรือจะเป็นเอชไหม หลายคนเนี่ยพ อ, พอพอเพราะว่าผลตรวจเนี่ยเป็นลบเป็นลบคือว่าปกตินะโล่ง อ, อกเลยแล้วก็อดโมโหตัวเองไม่ได้วันเนี่ยเราปล่อยให้สามวันที่ผ่านมากลายเป็นนรกเนี่ยเป็นเพราะเราไปตีตนก่อนไข่นะพวกเราเป็นอย่างนี้ไหมฮะหรือแม้กระทั่งนะเวลารถติดเนะี่ยพวกเราตอนนี้ก็ ปัญหานี้คงไม่ค่อยได้เกิดละวเพราะว่าที่ประเทศนี้นี่สือว่าการจราจรนี่มันโคลมากแต่ว่าเราคงจำได้เวลาอยู่กรุงเทพหรือไปอยู่ที่ตามเมืองใหญ่ๆในใ น, ในเมืองไทยเนี่ยเวลารถติดเนี่ยทั้งที่เราอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถที่มีเครื่องปรับอากาศมีเพลงเพราะเบาะบนิ่มทำไมเราถึงทุกข์ใจเคยถามตัวว่าทำไมถึงทุกข์ใจทาไมถึงหงุดหงิดเวลารถติดเนี่ยนะ เป็นเพราะว่าเรากังวลใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราท้ารติดนานก่อ น, นี้เราจะไปสายเราจะไปส่งลูกช้าเราจะไปประชุมช้าแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาตามมามากมายเรานัดเพื่อนแล้วเรากลัวว่าจะจะผิดนัดเพื่อนถามว่ามันเกิดขึ้นหรือยังมันยังไม่เกิดแต่เราคิดไปล่วงหน้าเราสร้างภาพล่วงหน้าแล้วเราก็ทุกเอง แต่ถ้ารถติดแล้วเนี่ยแต่ใจเราไม่ได้กังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะเราจะกำลังคุยกับเพื่อนกำลังคุยกับลูกเนี่ยความมุ่งมิตจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยแม้ว่ารถติดจะห้านาทีสิบนาทีนะเพราะอะไรเพราะว่าใจเราไม่ได้อยู่กับอนาคตนะตะมาลังย์พูดว่าความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยนะแม้ว่าอยู่ในสิ่งวัลลาที่สุดหรอสบายเนี่ย แต่ทันทีที่แต่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเราไปอยู่กับอดีตหรือว่าไปไปจมอยู่กับอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงผู้เจ้าเคยตรัสว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอารายและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ผู้เจ้าไม่หมายค ว, วามว่าเราคิดถึงอดีตไม่ได้นะ เราคิดได้แต่ไม่ได้คิดด้วยเราคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาก็จะเกิดประโยชน์เช่นถึงวันปีใหม่เราก็ย้อนกลับไปว่าเออผ่านหนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยเราได้เราทำอะไรได้ดีบ้างเรามีอะไรที่ควรปรับปรุงบ้างอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตด้วยสติด้วยปัญญามีประโยชน์นะหรือว่าเรามองอนาคตแล้วเราวางแผนว่าเออปีหน้าเราจะทำอะไรนะ เราทํางานระวังแผนสามเดือนหกเดือนอันนี้เนี่ยไม่ได้ขัดกับที่พระเจ้าสอนพระเจ้าเพียงแต่บอกว่าไม่พึงพะวงถึงเทียงมาถึงสิ่งที่มาไม่ถึงคือไม่ได้ไปคิดถึงถึงอนาคตด้วยด้วยความพะวงแต่ถ้าคิดด้วยสติด้วยปัญญานี่ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเรากลับแปรดีเนี่ยเราไปด้วยความหลงแล้วเราก็ไปเอาทุกมาใส่ตัวหรือทุกเอาทุกมาใส่ใจ เมื่อใดก็ตามที่ใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันนะใจเราเนี่ยเราปล่อยใจลอยนะแล้วถ้ามันไหลแปรดีดบ้างลอยแปรนาคตบ้างเนี่ยให้ระวังนะว่ามันจะเอาทุกเนี่ยมาใส่ใจของเรามาซ้ําเติมอีกใจของเราแล้วมันจะเกิดผลตามมาเช่อนอย่างที่ตมายุตัวอย่างเนีเสียเงินเนี่ยแทนที่จะเสียแต่เงินนะโอ้มันเสียใจเสียสุขภาพแล้วตามมาทําให้เสียงานและทําให้เสียเพื่อนด้วยนะจากการที่เราไม่รู้จัก อดูแลจิตใจของเราให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อไรก็ตามที่เราทุกข์ใจเนี่ยลองสํารวจตัวเราเองดูซิเราจะพบว่าเป็นพ่อใจเราเนี่ยมันไปอยู่กับอดีตหลายแเปนอนาคตมากกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเศร้าเมื่อไรก็ตามที่เราโกรธเนี่ยนั่นส่วนใหญ่เป็นเพราะเราเนี่ยไปอยู่กับอดีตเมื่อไหรที่เราหนักใจเรากังวลส่วนใหญ่เป็นเพราะเราเนี่ยใจไปอยู่กับอนาคต นะเพียงแค่เราใจพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเราก็จะพบกับความสุขได้ไม่ยากนะเอาใจอยู่กับปัจจุบันหมายความว่ายังไงนะหมายความได้หลายหลายแง่หลายระดับนะระดับหนึ่งคืหมายความว่าการที่เราอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันเวลาคุณทํางานเนี่ยถ้าใจคุณอยู่กับงานนะ คุณจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ส่วนให ญ, ญ่เครียดเพราะคุณไปคิดถึงอนาคตว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จหรือกลาลังไปคิดถึงว่าโอ้มีงานอีกต้องมากมายที่ยังค้างค้างที่รอคุณอยู่อีกต้องสิบงานอีกต้องสิบห้าอีสิบห้าอย่างนะพอคุณแค่คิดแค่นี้คุณก็ท้อนะแล้วก็ทำให้พานไม่อยากจะไอ้ทำงานที่กำลังทำอยู่นะ ลองสังเกตในเวลาเราเค ร, รียดเพราะงานเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่างานที่เราทําอยู่นี่มันหนักนะมันลําบากแต่เพราะว่าใจเราไม่อยู่กับไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตมากกว่าเฮ้ยใจอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าใจเราอยู่กับงานที่ก к, ําลังทําเฉพาะหน้าหรืออยู่กับคนที่กําลังพูดกําลังคุยอยู่ถ้าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับคนที่กำลังพูดคนที่กำลังคุยนะ ถ้าเราให้สําคัญกับงานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องเครียดน้อยหลายคนเป็นอย่างนี้นะฮะมาคุยกับตามมามก็บอกเวลาเวลาทํางานเนี่ยใจก็ห่วงลูกนึกถึงลูกพอนึกถึงลูกเนี่ยนะก็เลยทําให้ไม่มีสมาธิทำ ง, งานนะครั้นเวลากลับมาบ้านอยู่กับลูก ใจก็ห่วงงานนะก็เลยไม่ค่อยมีความสุขเต็มร้อยกับลูกนะบางทีพอนึกถึงงานแล้วนะเกิดกังวลกังวลเสร็จลูก อ, อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจเราสักหน่อยเนี่ยเราโกรธลูกเราเราว่าลูกทันทีเลยเสร็จ แ, แล้วก็มาเสียใจว่าทําไมเราพูดกับลูกแบบนั้นจริงๆเราไม่ได้โกรธลูกนะแต่เราเป็นเราหมดุดหนกับงานนะ หลายคนเนี่ยนะเวลาจะเวลาจะนอนนอนไม่หลับเพราะคิดถึงงานแต่พอไปทํางานก็ง่วงนอนนะปัญหานี่มันแก้ไม่ยากนะเวลาทํางานนะใจอยู่กับงานลืมลูกไปก่อนไม่ต้องนึกถึงลูกเพราะคุณนึกถึงลูกไปคุณก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ลูกดีขึ้นมีแต่ทําให้ใจหนักอึง้งเวลาอยู่กับเวลาอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกเต็มร้อยวางเรื่องงานซะ คุณก็จะรู้สึกสบายคุณก็จะโปรง่งถ้าทำอย่างนี้นะอยู่กับอยู่กับอยู่ที่ทํางานคุณก็มีความสุขคุณไม่เครียดอยู่กับบ้านคุณก็ไม่มีความวิตกกังวลนะนี่ก็เป็นวิธีนึงที่ทําให้คุณเนี่ยอยู่ที่ไหนนะใจก็เป็นสุขนะและถ้าเราจอยู่กับปัจจุบันนี้นะ อีกความหมายนึงคือว่าการที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่มีเพื่อนตามาจะเขียน <c oughs> เขียนคําำวยพรถึงเพื่อนนึ่งแนกวกะบันปีใหม่จะไม่ได้เขียนว่าขอให้เธอมีความสุขนะจะเขียนว่าขอให้เธอเห็นความสุขต่างกันไหมระหว่างขอให้เธอมีความสุขกับขอให้เธอเห็นเห็นความสุขนะ ขอให้เธอเห็นความสุขแม้ว่าเธอมีความสุขอยู่แล้วแต่เธอไม่เห็นสิ่งที่เธอทำก็คือว่าแค่เห็นความสุขอาตมาเชื่อวพวกเราทุกคนตอนนี้มีความสุขอยู่แล้วนะแต่เรามองไม่เห็นหรือเรามองข้ามไปถ้าคุณมีสุขภาพดีคุณไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยให้คุณรู้เถอว่าเนี่ยนี่คือความสุขอย่างหนึ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะไม่ค่อยตระหนักถึง ความสุขอันนี้ตัวกระทั่งเมื่อคุณเจ็บป่วยนะพอเจ็บป่วยอย่าว่าแต่ไม่ต้องพูดถึงเป็นมะเร็งนะเอาแค่ปวดหัวปวดท้องเป็นหวัดแค่นี้นะพอแค่เราปวดหัวปวดท้องเป็นหวัดเนี่ยแล้วเราจรกนกระทั่งเราต้องล้มหมอนนอนเสือเนี่ยเราจะรู้สึกแว่าโอ้ยตอนที่เราไม่ป่วยนี่นะหัวมันเป็นสุขมันสุดยอดแล้วหลายคนเคยแต่หนักเมื่อการที่ตัวเองเนี่ยมือทํางานได้เท้านะยังสามารถเดินเหินได้ นะอันนี้คือความสุขแล้วลองคุณเจ็บป่วยนะต้องนอนติดเตียงหรือว่าคุณประสบอุบัติเหตุนะจกนกระทั่งพิการหรือว่าคุณแก่เนะี่ยจนกระทั่งไม่สามารถจะเดินเหินได้เนี่ยนะคุณจะรู้สึกแล้วว่าไอ้การไอ้การที่ฉันเนี่ยนะเดินเหินมาไหนไปไหนได้เนี่ยการที่ฉันช่วยจับอะไรได้เนี่ยมันเป็นความสุขแล้ว ที่บัพักคนชรานะอาตมาได้ฟังเรื่องราวของคนชราอายุ90ิในอเมริกาหลายคนเนี่ยเขาเขาเขาเดินลำบากนะอายุ90สกว่าเดินลำบากแต่เขาไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะนั่งรถเข็นเขาไม่อยากให้ใครมาพยุงตัวเขาเลยเขาบอกเขาอยากจะเดินไปห้องน้ำ และเขารู้สึกว่าการการที่เขาสามารถที icism, ่จะเดินได้ด้วยตัวเองไปห้องน้นําเนี่ยนะมันเป็นความสุขแล้วนะเขาอยากจะทําสิ่งที่มันทําได้ยากแล้วมันเป็นสิ่งที่มีความหมายสําคัญมากคือการเดินเข้าห้องน้ําด้วยตัวเองเราซึ่งเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่ค่อยตันหนักเลยนะว่าการที่เดินไปห้องน้ําด้วยตัวเองเนี่ยนะมันมีความหมายมากตอนน่อจิตใจนะ แต่คุณจะรู้สึกได้คุณจะสัมผัสตรงนี้ได้เนี่ยหรือคุณจะเห็นตรงนี้ได้เมื่อคุณเริ่มเจ็บเริ่มป่วยหรือว่าพิ ก, การคำถามคือทำไมเราต้องมามามาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีต่อเมื่อเราสูญเสียมันไปแล้วทำไมเราไม่เห็นคุณค่าของมั น, น ะ, ะที่เรายังมีอยู่เรายังมีมันอยู่เพราะถ้าเราเสียมันไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วมารู้สึกว่าโอกาสที่เรามีตามองเห็น นะการที่เรามีขาเดินเหยืไปไหนได้เป็นสิ่งที่เป็นโชคอย่างยิ่งเนี่ยมาเห็นก็ต่อเมื่อเราเป็นอัมพาตพิการหรือย่ำแย่แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะการที่เราเนี่ยมียังมีพ่อมีแม่มีคนรักหรือมีลูกเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยคุณเคยตระหนักไหมว่าเนี่ยคือโชคมีความสุขหลายคนไม่ตระหนักนะ ไปคิดว่าความสุขนันอยู่ข้างหน้านะอยู่ที่การที่ได้ไปเที่ยวห้างการที่ได้มีเงินดืนมากๆการที่ได้เลื่อนตําแหน่งซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะได้กระเป๋าราคาแพงเป็นแสนเป็นล้านถึงจะมีความสุขหลายคนเนี่ยไปรอความสุขข้างหน้านะจนลืมไปว่าไอ้ความสุขที่จริงๆแล้วตัวเองมีความสุขอยู่แล้วในปัจจุบันมันรู้อีกทีก็ตอนที่สูญเสียสิ่งนั้นไป เมื่อสูญเสียคนรักเมื่อสูญเสียพ่อแม่ไปเดีย๋ยวไม่มีวันกลับถึงค่อยไม่รู้ว่าวันที่เรามีท่านอยู่กับตัวมีท่านอยู่ใกล้ๆนั้นมันเป็นโชคอย่างยิ่งแล้วทําไมเราต้องรอรอให้สูญเสียสิ่งนั้นไปก่อนเราถึงจะเห็นคุณค่าเห็ความสําคัญของสิ่งนั้นหรือของคนนั้นการอยู่กับปัจจุบันคือการที่เรากลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มก็ได้เนี่ยเพียงแค่มีอย่างที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะแล้วคุณเห็นคุณข้าวของมันคุณก็รู้ว่าเออฉันมีความสุขแล้วมีพิยุงคือนึงแกเป็นแม่บ้านนะทุกวันเนี่ยทุกเย็นเนี่ยเมื่อลูกและสามีมาพร้อมหน้ากินข้าวด้วยกันเนี่ยเธอบอกว่าเธอมีความสุขมากเธออยากขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้มีโมเมนต์นี้มีช่วงขณะนี้ เธอไม่ต้องการอะไรแล้วมากไปก่อนนี้เพราะอะไรเพราะเธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสอยู่บนพร้อมหน้าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะนะดงนั้นสำหรับเธอเนี่ยนะเธอพกเธอรู้นความสุขของเธอเนี่ยมันง่ายมากก็คือการที่ได้มีได้เห็นคนรักนะ มาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเด่งน้อยนะก็เวลากินข้าวด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเรื่องพูดถึงความสุขใจแล้วเนี่ยนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ชิดถ้าเราตระหนักนะถึงคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบัน และชื่น ช, ชมสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่เรามีอยู่กับตัวเท่านั้นนะแม้กระทั่งสิ่งเรามีที่มีอยู่รอบตัวบางทีเราก็ไม่ตระหนักเพื่อต่อมาคนนึงเป็นคนที่แกเป็นคนขยันมากทำงานเยอะแยะไปหมดนะคิดสมองแกคิดคิดตลอดเวลาเรื่องงานเรื่องการ แล้ววันหนึ่งแกเป็นไส้เลื่อนแกต้องไปผ่าผ่าไส้เลื่อนต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายวันเสร็จแล้วก็ต้องมาพักฟื้นที่บ้านอีกอาทิตย์หนึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่แกไม่ได้ทำงานเลยแกต้องวางงานทุกอย่างเพราะว่าร่างกายมานันไม่อึอ ก็หงุดหงิดมือกันนะแต่ว่าพอเป็นผ่านไปสัก2อ ส, อสอวันเนี่ยก็เริ่มปรับใจได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสได้พักกันแล้วกันประมาณสักวันที่4วันที่3ามเนี่ยนะจ๊ก็ไปนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านจะอยู่ชานเมืองนะกรุงเทพอประมาณสักบ่ายสบ่ายสีนั่งอยู่นะจะเรียกว่านั่งอยู่แล้วก็ปล่อยใจนะไปตามอารมณ์ก็ได้ แต่จริงคงไม่ใช่ปล่อยใจลอยนะจู่ๆก็ได้เสียงนกเขาตัวหนึ่งร้องทีแร ก, ก็ตัวหนึ่งก่อนตอนหลังก็ตัวที่2ตัวที่สามแล้วนกตัวอื่นก็ร้องตามมามันประสานเสียงเพลาะมากเลยแกฟังนะแล้วแกก็เกิดปิติตัวกระทั่งน้ําตาเนี่ยรื้นเลยมันเพลาะมากแกลก้วคุณมีความสุขเสร็จแกก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะ ฉันอยู่บ้านนี้มาเนี่ยั้งยปีมาแล้วนะตั้งแต่สมัยที่ลูกเนี่ยยังเล็กนะลูกสาวยังเล็กเนี่ยแค่สองสาขวบเนี่ยตอนนี้ลูกสาวเนี่ยใกล้จะจบมหาวิทยาลัยแล้วทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องคำถามคือว่านกนมันเพิ่งร้องหรือเปล่านกมันเพิ่งร้องไหมนกมันร้องมานานแล้วแต่แกไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะอะไร พอใ จ, อจนี่ไม่อยู่กับปัจจุบันใจไปอยู่กับงานใจส่งกับอีกนอกตัวนะนกร้องทุกวันมา20ปีแต่แกไม่ได้ยินนะ mm hmm. เพราะว่าใจแกลอยไงใจแกไม่อยู่กับปัจจุบนันะนะแกประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้แกได้คิดแล้ ว, ว่าเอ๊จริงๆความสุขเนี่ยมันมันหาได้ง่ายมากเลยเราคิด ว, ว่าเออถ้าเราไปเที่ยวห้างเราต้องไปที่นั่นที่ น, นี่มีความสุขนะที่จริงอยู่บ้านตัวนั่นแหละก็มีความสุขแล้วเพียงแต่ว่า ใจมันไม่ไปรับรู้ไงนี่คือความหมายที่ที่เอร์ตมาบอกว่าขอให้เธอเห็นความสุขคืออันนี้คือความสุขเนี่ยมันอยู่กับเธอมันอยู่รอบตัวเธออยู่แล้วแต่เป็นเพราะเธอไม่เห็นเป็นเพราะเธอไม่รับรู้ต่างหางนะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมีอะไรใหม่เราไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเราไม่ต้องต้องสดสบายมากกว่าเดิมถึงจะมีความสุขเพียงแต่ว่าให้ใจเราเนี่ยเปิด รับสิ่งที่เป็นความสุขที่อยู่รอบตัวเราหรือเปิดรับเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะความสุขที่เราไม่เจ็บป่วยความสุขที่เรายังมีคนรักอยู่ใกล้ความสุขที่เรายังมีอวัยวะครบสาสิสองนะสามารถที่จะมีสระไปในมาไหนได้ถ้าคุณอยู่ตหนักอย่างนี้นะคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็มีความสุขนะนี่แล้วนี่แค่ปฐมนะนี่แค่ปฐมน้เริ่มนะที่จริงเนี่ย แม้มีอะไรมาแม้มีอะไรมากระทบนะแล้วระวังใจเป็นเนี่ยเราก็สุขได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่สงบถึงจะมีความสุขแม้ว่าเสียงอยุกตึกรอบตัวใจเราก็เป็นปกติได้หลายคนคิดว่าฉันจะมีความสุขได้เนี่ยฉันจะมีความสงบได้เนี่ยก็แต่เมื่อรอบตัวฉันเนี่ยมันไม่อุกทึกมันไม่จอแจ ไม่มีเสียงดังหลายคนรู้สึกว่าถ้าอยู่ในที่ที่มันจอแจพลุก่าเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีความสุขแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมนะแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่เป็นนะอาจาเล่ามาจะเล่าเรื่องให้ฟังนะเป็นเรื่องของหลวงปู่บุตราถาวโร ท่านมารณาภาพแบบเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ท่านมารณาภาพท่านก็อายุประมาณร้อยหนึ่งปีก็มีเรื่องเล่ากว่าสักห้ปีมาแล้วเนี่ยนะท่านได้รับนิมนต์ให้ไปมาฉันเพลในกรุงเทพฯนะวัดท่านอยู่สิงห์บุรีท่านฉันเพลเสร็จท่านก็จะกลับวัดโยมก็บอกว่าอย่าให้ท่านเนี่ยเอนพักสัก่อนเพราะว่า สิงบุรีเป็นไกล5้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมันกจราจรถนนอนอทางไม่ค่อยดีนะใช้เวลาเยอะแล้วท่านก็ชลาละแปดสิบได้แล้วะ้ง mm hmm. ก็จัดห้องให้ท่านพักเนี่ย mm hmm. ก็มีลูกศิษย์สนะี่ห้าคนมานั่งอยู่ในห้องเป็นเพื่อนท่านลูกศิษย์เวลาพูดคุยก็พูดกันเบาๆก็ะซิบกรทาบกันไม่อยากรบกวนหลวงปู่แต่บังเอิญเนี่ยห้องที่ติด ก, กับ ห้องหลวงปูเนี่ยมันเป็นบ้านมันเป็นร้านชําร้านโชห่วยเจ้าของนี่เป็นอาซิมอาซิมเนี่ยคนแก่สมัยก่อนนะสักห้สิบปีที่แล้วเนี่ยจะสวมเกีย๊ยนะเกีย๊ยไม้หลายคนเนี่ยจะเคยเคยทันนะอาตมาเนี่ทันสวมเกีย๊ยไม้ตอนเด็กๆคือเวลาเดินเนี่ยนะมันจะเสียงดังนะยิ่งเดินขึ้นบันไดนี่นะบันไดไม้นี่นะมันก็ดังมันก็ดังเข้ามาในห้องหลวงปูบุ ด, ดาเนี่ยจำวัดอยู่ ลูกสิก็หงุดหงิดไม่พอใจพูดขึ้นมาว่าแหมเดินไม่เกรงใจกันเลยนะเดินเสียงดังจังเลยลูกปู่ท่านได้ยินนะท่านก็เลยเปลยเบาๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกีย้ยเขาเองคือเสียงเสียงเนี่ยไม่ทําให้เราทุกข์นะเราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเราหูไปลองเกีย้ยเขาเข้าใจไหมฮะ นความสงบเนี่ยมันไม่อยู่ที่เสียงว่ามีดังแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราเอาหูไปรองรับเสียงนั้นหรือเปล่าใช่หมฮะเนี่ยหมายเนี่ยอธิบายว่าเราจะสุขหรือไม่นันอยู่ที่การวางใจของเราเสียงดังแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสตินะมีสติเวลาใจกระเพื่อมใจหงุดหงิดไมีสติรู้ทันว่าใจกระเพื่อม หรือว่าใช้สตินเนี่ยไปกำกับไม่ให้จิตเนี่ยไปจดจ่อยอยู่ที่เสียงดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกเสียงดังก็ดังไปสักแต่ว่าได้ยินนะสมมุติมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องนะอาจจะเป็นเสียงเบาๆและเพร้อมด้วเสียงดึงโทนนะถ้าเราฟังผ่านๆไปนะเราไม่หมุดหินนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอมีเสียงดังขึ้นมาทำไงใจเราก็ไปจดจ่อยตรงนั้นเนี่ยจดจ่อยที่เสียงนั้นแหละ แม้เสียงมันจะเบาเสียงมันเสียงมันไม่ดังเท่าเสียงอัตมาลซึ่งใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยแต่พอใจใจเราจดจ่อที่เสียงนั้นนะมันก็จะเริ่มไม่พอใจแล้วก็จะเริ่มคิดมาว่าไอ้ทำไมเจ้าของโทรศัพท์ก็ไม่ปิดเสียงทําไมก็ไม่ปิดเครื่องความรู้สึกว่ามันไม่น่าดังมันไม่น่าดังเนี่ยนะมันก็จะรบกวนทําให้เราเนี่ยเริ่มไม่พอใจความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะ แต่ความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะเสียงนะแต่เป็นเพราะใจที่บน่นโวยวายใจที่ตีโพตีพายใจที่รู้สึกลบต่อเสียงนั้นถ้าคุณลองเปลี่ยนใจให้เป็นบวกต่อเสียงนั้นดูเนี่ยนะคุณก็จะไม่รู้สึกทุกข์เลยคุณทุกข์ใจเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกลบต่อเสียงนั้นเพราะคุณบน่นคุณโวยวายตีโพตีพายอยู่ข้างใน มันไม่ใช่เพราะเสียงแต่เป็นพราะใจที่รู้สึกลบลองเปลี่ยนใจเป็นบวกนี่นะความสงบจะกลับคืนสู่จิตใจของเราทันทีมันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสักห้าสิบปีก่อนเนี่ยนะมีนัก บ, บินอวกาศชาวรัเสเซียขึ้นไปโครจรรอบโลก เราคงทราบนะว่าเราเสด็จเป็นประเทศแรกที่ส่งยางนอวากาศไปโคจรรอบโลกก่อนอเมริกานะก่อนอเมริกานะยูริกาการินนี่เป็นนั ก, นกบินอวากาศคนแรกแต่เรื่องที่เล่าเนี่ยไม่ทราบเป็นใครนะคือลองที่แกไปอยู่บนอวากาศนี่นะแกได้เจอภาพที่ตะลึงเลยนะคือภาพโลกที่สวยงามสีครามมันสะกดใจให้แกเนี่ยรู้สึกสงบเลยนะ แล้วตรงนั้นเนี่ยมันต้องเงียบมากเลยนะข้างบนเนี่ยนะมันไม่มีเสียงอะไรเลยแม้กระทั่งเสียงเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์ดับนะมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องเปิดเครื่องยนต์เพราะว่าแรงไนโอบกาศเนี่ยนะไอแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันก็สามารถที่ทําให้ยาอากาศเนี่ยบินอยู่รอบโลกได้โดยที่ไม่ต้องใช้เปิดเครื่องนะตอนนั้นแกสงบมากเลยนะแล้วจิตใจแกรูก้สึกว่ามันมีปิติ แต่สักพักนี่นะมันมีเสียงดังเสียงแค่ น, นี่ยแต่มันแหลมมันไม่เสียงแหลมทีแรกสักแกก็ไม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะแต่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยแกชักลำคาแล้วห้านาทีก็รล้สิบนาทีก็แล้วมันทำลายบรรยากาศความสงบในห้องนัวบินนา ก, กาแล้วแกคิดต่อไปว่าถ้ามันดังเป็นชั่วโมงและดังตลอด แกจรู้สึกไงคิดแค่นี้แกก็รู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านขึ้นมาเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนกับว่ามันไปไหนไม่ได้อะมันหนีเสียงนั้นไม่ได้อะเพราะว่าอยู่ในห้องนัก บ, บินอวกาศมันก็แค่รู้สึกอึดอัดขึ้นมาแล้วเริ่มจะคลุมค ร, งครังแล้วนะแต่สักครูนึงแกได้สติแกบอกว่าไอ้ถ้ามันเสียงนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเนี่ยทําไมเราไม่ลองรักเสียงนั้นดู ทำไมเราไม่ลองลักเสียงนั้นดูถ้ามันมันจะอยู่กับเรามันจะอยู่กับชั้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแกก็หลับตาหายใจสบายๆแล้วแกก็จินตนาการว่าเสียงมันมีเสียงเพลงเข้ามาแกจินตนาการเสียงนั้นกลายเป็นเสียงเพลงไอ้เสียงเนี่ยนะมันกลายเป็นเสียงเพลงแล้สักพักเนี่ยปรากฏว่าเสียงนั้นก็หายไปนะมันเกิดเป็นเสียงเพลงมาแทนที่เป็นเสียงที่แกชอบนะ แล้วแกก็เริ่มสงบสบายพอะกเปิดตาขึ้นมาครา้นี้ปรากว่าเสียงเสียงเนี้ยหายไปแล้วเหลือแต่เสียงเพลงจริงๆเสียงนี้หายไปไหมไม่หายนะแต่ความสูงแกเนี้ยมันรู้สึกเปลี่ยนไปนะแกจินตนาการว่ามันเป็นเสียงเพลงแล้วมันก็เป็นเสียงเพลงในความสูงแกจริง เราก็านี้ใจแกไม่ไม่งุนง่านแล้ใจก็สงบเสียงนั้นจะอยู่ไปเรื่อยๆไงแกก็ไม่สนใจนะแล้วประกอบวันสุดแกก็สามารถที่จะรู้สึกเป็นปกติได้จนทั้งยานยา น, ยานอวกาศของแกเนี่ยกลับสู่พื้นโลกคือประเด็นก็คือว่าเสียงไม่ทําให้เราทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะเรารู้สึกไม่ชอบมัน แต่พอเราเปลี่ยนใจจากไม่ชอบเป็นชอบหรือเปลี่ยนใจเปลี่ยนความรู้สึกจากลบเป็นบวกเสียงมันก็ทํำอะไรเราไม่ได้นะความสงบกลับคืนมาเพราะฉะ น, นั้นนียแม้เราอยู่ในที่เสียงดังนะใจเราสงบได้นะฮะไม่ทราบว่าเรามีใครเคยไปสังเวชสถ า, านไหมไปทีอินเดียเนี่ย พุทธคยาเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่คนต้องไปถ้าไปสังเวชสถานนะแล้วไปง่ายมากแตถ่ถ้าคุณไปเพื่อจะไปหาความสงบที่พุทธคยานะคุณจะผิดหวังนะเพราะพุทธคยาเนี่ยเสียงคนเป็นคนเป็นพันนะแล้วไม่ใช่เป็นพันเดียวนะมันไม่ใช่แค่อึกระทึกมันไม่ใช่แค่จอแจนะเสียงดังด้วยเพราะว่าแต่ละคณะไปเนี่ยก็จะก็จะสวดมนต์คณะหนึ่งไปก็อิติปิโสพระวานะ ปากปาไม่พอนะใช้เครื่องขยายเสียงด้วยเราะรู้สึกว่าถ้าดังเท่าไหร่ยิ่งได้บุรมาเท่านั้นแล้วไม่ใช่แค่คณะเดียวนะมันมีหลายคณะมากเลยและนด่เฉพาะคนไทยนะมีพมา่ามีลาวมีคอมเมนตมีอินเดียมีทิเบตนะและพอปรัเน่นี่คือประทักศิล น, นะวนสมรอบนะเบียนเทียนครบสามรอบ จบก็มาสวดมนต์ธรรมวัดธรรมวัดเชา้าธรามวัดเย็นมาเราแสดงธรรมเสียงเนี่ยนานนาน า, น า, น า, นาชาติเนี่ยสรรพสําเงียงเนี่ยดังแต่ปรากฏว่ามีคนเป็นสิบนะหรือหลายสิบนะนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างสงบเส ม, มือนกับว่าเสียงเนี่ยเห ม, มือนเสมือนกับว่าเสียงนั้นทำอะไรเขาไม่ได้เลยเราตมาลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ย ไปอยู่บนริมถนนนะหรือว่าอยู่กลางตลาดนะมีเสียงจอดแจเสียงดังน้อยกว่าน้อยกว่าที่พุทธคยานะอาตมาว่าหลายคนนะคงจะกระสับกระส่ายแต่ทําไมเวลาอยู่ที่รอบเจดีย์พุทธคยาหรือใกล้ต้นพระศรีหมหาโพธิ์เนี่ยเสียงดังนะแต่ว่าเขาสงบได้เพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะว่า มันแสดงเห็นเลยนว่าคนเราเนี่ยสงบได้เนี่ยไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะเสียงมันเบาเสียงดังใจก็สงบได้เพราะเขารู้สึกเป็นบวกต่อเสียงนั้นใจเขารู้สึกเป็นบวกกับเสียงนั้นเสียงนั้นเนี่ยนะเป็นเสียงศรัทธาเป็นเสียงแห่งความเคารับถือพระป ร, ร, ระตนพรตนัยเราไม่รู้ความหมายแต่เรารู้ว่านี่ยคือเสียงที่ดีเสียงที่ออกมาจากใจที่มีศรัทธาพอเรารสึกเป็นบวกต่อเสียงนั้น น, นนะใจมันก็ไม่หงいいุดหงิดไม่งุนง่าน แล้วก็สงบได้นะนั้นความสูงของเราเนี่ยต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวชี้ขาว่าเราจะสึกหรือทุกข์แล้วถ้าคุณวางใจไม่ถูกนะแม้คุณได้โชคได้ลามคุณก็ทุกข์นะเพื่อต่อมาคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะแกไปซื้อหวยนะ ซื้อหวยสามตัวสิบห้าบาทแล้วแก่ถูกนะแกะก็ได้ประมาณห0ร้อยใช่หัหยใช่ปะ <laughs> ไม่รู้อหะ <laughs> นึ่งวันเล่นแกก็ดีใจโอ้วันนี้โชคดีนะแกะก็มาขูดอวดใครฉั้นโชคดีนะวันนี้ถูกหวยไะเจอเพื่อนอีกคนนึงนะแทงตัวเดียวกันแต่แทงห้าสิบแกได้สองพัน พอร่วเพื่อคนได้สองพันนะที่แกยิ้มนะแกหุบเลยเคยเป็นแบบนี้มะทําไมถึงหุบนะรู้สึกว่าโอเราได้น้อยไปแล้วเราน่าจะฉันได้แทงมากกว่านี้นะฉันแน่แทงสักร้อยหนึ่งนะความรู้สึกเสียใจความรู้สึกว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วนะจากดีใจเป็นเสียใจที่จริงแม่เพื่อนเขาจะได้สองพันก็เป็นเรื่องเขา ใช่มไหมไอเราเนี่ยได้หกร้อยเนี่ยเราน่าจะมีความสุขนะ ม, มีกลายเนึ้อหนักกว่านี้นะเพื่อตมาที่แกเคยเป็นนักเล่นหุ้นแต่ตอนนี้แกเลิกเล่นลนะหรือเล่นน้อยมากแกบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นหุ้นเพราะว่าอยากได้เงินมากกว่าความสุขแต่ตอนนี้ได้เงินมีเงินพอสมควรแล้วขอเอาข อ, อาความสุขไปแล้วกันคือแกรู้เลยนะถ้าจะเอา เล่นหุนนะถ้ า, ถาต้องเลือกระหว่างความสุขกับเงินนะถ้าอยากได้เงินนะ <c oughs> ก็เล่นต่อไปแต่ถ้าได้ความสุขนะก็ต้องเลิกเล่นแต่ตอนที่แกเล่นอยู่เนี่ยแกเล่าว่าไปเจอคุณป้าคนหนึ่งที่ตลาดทุนคุณป้า น, นี้แกก็มีมีอาชีพเหมือนแกก็คือว่าซื้อถูกขายแพงนะคุยไปคุยมาคุณป้าแกก็บอกว่า เมื่อสองสมันก่อนเนี่ยแกขายหุ้นไปตัวหนึ่งนะล็อตใหญ่เลยนะได้กํำไรสิบล้านบาทสิบล้านบาทนี่มันเท่ากับล็อตกรกะดิ่งลงมาที่หนึ่งนะกี่ใบก็ไม่รู้นะสาสีห้าใบเลยนะเพื่อนตอมาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าแกบอกว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายวันนี้ฉันได้กําไรร้อยี่สิบล้านแกไม่มีความสุขนะฮะได้สิบล้านไี่มีความสุขทําไมเพราะในความสุขแกนะ แกคิดว่าแกเสียสิล้านใช่ไหมฮะแกไม่ได้คิดว่าแกได้สิล้านแกคิว่าแกเสียสิบล้านวันรุ่งขึ้นแกไม่มาที่ตลาดพูดเหมือนเคยเพื่อนตมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นลูกค้าแกก็ได้ทราบว่าแกเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าพ่ออะไรทราบไหมฮะเครียดนะเครียดที่ได้สิบล้านเห็นไหมคุณเรามา่อกี้คิดว่าเออถ้าเราได้โชว์แด้เราจะมีความสุขใช่ไหมนี่แกก็ได้นะสิบล้านแต่ทําไมแก เครตุงเข้าโรงพยาบาลเพราะแกคิดว่าแกเสียสิบล้านเพราะแกคิดว่าฉันน่าจะได้มากกว่า น, นี้ฉันไม่น่าขายหุ้นไปเลยเมื่อสามวันก่อนคุณเห็นไหมฮะคุณได้อะไรเนี่ยคุณก็ไม่มีความสุกนะถ้าคุณวางใจไม่เป็นถ้าวางใจไม่เป็นน้ได้คือเสียแต่ถ้าวางใจเป็นน่้นเสียคือได้ เมื่อปี54เนี่ยมันมีน้ำท่วมใหญ่เมืองไทยนะฮะก็คนเป็นพันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนะสิ้นเนื้อประดาตัวนะหรือถึงไม่สิ้นเนื้อประดาตัวก็เรียว่าหมดนะเสียหายหลายเสียหายไปหลายมากทีเดียวบางคนไม่ใช่เสียแต่เงินนะเสียใจอย่างที่ตมาว่าตอนแรกๆเสียจริตหรือว่า เสียความสัมพันธ์เพราะว่าทะเลาะ ก, กันระหว่างสามีภรรยาต่างทั่วกันไปทั่วกันมาเรื่องที่เสียทรัพย์เพราะน้ำท่วมบางคนเสียชีวิตไม่ใช่เพราะว่าน้ําพัดพาไปแต่เพราะว่าเสียใจจนฆ่าตัวตายแต่มีหลายคนเนี่ยเขาใจเขาปกติอาจจะเสียนิดหน่อยแต่เขาก็กลับมารู้สึกเป็นปกติมีคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันสอนเขาเลยนะว่า ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทุกอย่างเนี่ยมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวนี่แกได้นะแกเสียเงินนะแกเสียของแต่แกได้แกได้ธรรมะแกได้ปัญญาแล้วตำไมาคิดว่าได้แบบนี้เนี่ยกำไรเพราะว่าไอ้ของที่เสียไปเนี่ยหาใหม่ได้คุณมีเงินคุณหาใหม่ได้แต่ว่าปัญญาแบบนี้นะคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อไม่ได้ แ้วถ้าคุณมีปัญญาแบบนี้นะว่าเออไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะทุกอย่างอยู่กัเราเป็นแค่ชั่วข้าวนะเมื่อคุณเสียอีกคุณก็จะไม่ทุกข์ละเพราะคุณไม่มีความยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่แรกว่ามันเป็นของชั้นมันเป็นของเรานะอันนี้ธรรมคิดว่าได้นะแกเสียทรัพย์แต่แกได้ได้ปัญญาได้ธรรมะถือว่าได้กําไร มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุยเ็เป็นมะเร็งนะลือคีเมียแกก็เสียศูนย์อยู่พักหนึ่งนะแต่ตอนหลังแกก็ได้คิดนะแกบอกว่าเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันนำสิ่งดีๆให้แกช่วยแกหลายอย่างคนหนึ่งคือมันทำให้แกได้เห็นคุณค่าของธรรมะแต่ก่อนแกไม่สนใจธรรมะเลยนะ แต่พอป่วยแล้วเนี่ยนะนอนโรงพยาบาลเพิ่งเอาหนังสือมาให้ยายกรหนังสือเอามาให้หนังสือธรรมะแกก็นั่งอ่านมีเวลาเนี่ยนั่งอ่านแล้วก็เห็นว่าธรรมะเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่แกเข้าใจพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องของพิธีกรร ม, มเป็นเรื่องของธรรมะที่มันจะลงใจมากนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองมันทําให้แกได้เห็นความรักของพ่อแม่แต่ก่อนไม่เคยทราบซึ่งในความรักของพ่อแม่เลย เพราะว่าคนกรุงเทพนะเหินทางนะพ่อแม่ไปทํางานลูกก็ไปเรียนแต่เช้าไม่ไม่เคยกินข้าวนานๆจะได้กินข้าวร่วมกันแต่พอแกป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็มาดูแลนเอาใจใ ส, ส่ทาบถึงในความร่างพ่อแม่มากค่อยศรามันทําให้แกได้คิดนะมันทําให้แกรู้จักคิดมันทําให้แกเนี่ยนะไม่ทําอารมณ์ทำตามอารมณ์เพราะว่าเขาได้ฝึกได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยมันทําให้แกได้คิดมากขึ้น แกบอกว่ า, าแกไม่เป็นมะเร็งนะแกก็จะเหมือนคนหนุ่มทั่วไปนอนหอพักนะกว่าจะได้เข้านอนก็ตีสามตื่นขึ้นมานะเที่ยงแล้วก็รอเที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนเรียนหนังสือที่นอนแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนกินเล้ากับเพื่อนดูแบบนะไม่สนใจใครไม่คิดถึงใครดูแบบประมาทสําหรับแกเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เสียนะมันคือได้ นะการวางใจแบบนี้เนี่ยเราก็เรียกอย่างว่าการมองแง่บวกนะมองแง่บวกเนี่ยมันมีหลายความหมายแนะบางคนเข้าใจมองในแง่บวกคือหมายความว่าองว่าอนาคตจะโช่โช่ชั่วานอนาคตจะถ้าเป็นบะเร็งอนาคตก็จะหายแต่สำหรับตมามองแง่บวกเนี่ยมันหมายความว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยถ้าคุณมองให้ดีมันมีประโยชน์นะ เสียเงินคุณก็ได้ประโยชน์จากมันถ้าคุณมองเป็นเสียสุขภาพที่เป็นมะเร็งคุณก็สามารถจะได้ประโยชน์จากมันหลายคนที่บอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งขอบโชคดีที่เป็นมะเร็งเคยได้ยินไหมฮะในกรุงเทพในเมืองไทยมีหลายคนที่บอกโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทําให้เขาได้มาสนใจยธรรมได้มาเห็นคุณค่างธรรมะแล้วเมื่อมาปฏิบททัติธรรมก็ได้เห็นได้พบความสงบความสุขอันประเสริฐ ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนเคยคิดว่าความสุขเกิดจากการที่มีทรัพสมบัติมีเงินเดินมีเงินมากๆนะแต่เพราะว่าแท้จริงแล้วความสุขอยู่ที่ใจไม่เคยนึก ม, มาก่อนว่ามันมีความสุขชนิดนี้และที่มาพบกับความสุขชนิดนี้ได้เพราะว่ามะเร็งเป็นตัวผลักดันจึงบอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งนะเห็นความแตกตาา่างระหว่างคนนึงได้กําไร10บล้านบาทเนี่ยแต่ว่าป่วยโรงพยบาบาล เพราทุกใจอีกคนหนึ่งเป็นนเร็งนะแต่ว่ายิ้มได้นะเพราะนั้นเนี่ยไม่ไม่เพียงแต่ว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขนะแต่เกิดอะไรใจไม่ทุกข์ก็ได้นะเกิดอะไรใจไม่ทุกขก็ได้ถ้าคุณรู้จักวางใจอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณข้าวสิ่งที่มีมีอยู่รวมทั้งการมองแง่บวกและรู้จักปล่อยรู้จักวาง มีในตำรวจท่านหนึ่งนะเมื่อสัก 45-40 ปีก่อนเนี่ยมาปรึกษาหลว ง, งพ่อชาสุภัทโทกัณนประพง์หลวงพ่อชานี่ท่านท่านมีลูกศิษย์เยอะนะหลงทั้งฝรั่งนะซึ่งมาสร้างวัดแบบวัดป่าเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยช่นวัดอมารบาบดีนะที่อเมริกาแล้วก็ในยุโรปก็มีที่อิตาลีนะที่สวิส ในตนัวรถท่านนี้เนี่ยนะมามาปรึกษาเพราะว่ารู้สึกมีความทุกข์มากเนื่องจากแกเป็นคนซื่อสัตว์สุจริตแต่เจ้านายเนี่ยนะเจ้านายเนี่ยคอยกั่นแกล้งนะเพราะแกเนี่ยไม่ยอมกินตามน้ำนะเพื่อลงงานก็คอยเลื่อยขาเก้าอี้ แกทำไรเนี่ยงานก็ไม่ไม่ไม่เจริญก้าวหน้าเลยนะแป๊กนะแกก็บ่นไปนะถึงความทุกข์ในที่ทำงานผลวงพ่ชาก็ฟังนะก็ไม่ได้แนะนำอะไรให้แกระบายจนจบนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ พอข้อระบายจบท่านก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่วางอยู่หน้ากุฏิท่านหินก้อนใหญ่เลยนะเห็นหินก้อนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมไม่ไหวครับเออแบกไม่ไหวก็อย่าไปแบกมันพอพูดเท่านี้ ในตัวเขานี่นก็ได้คิดเลยนะได้คิดว่าอะไรได้คิดว่าที่เราทุกเนี่ยเพราะอะไรพราไปแบกมันปัญหาไม่ทําให้เราทุกนะถ้าเราไม่ไปแบกมันนะ่ะเข้าใจไหมฮะเมื่อก้อนหินนะก้อนหินมันใหญ่แค่ไหนถ้าคุณไม่แบกคุณก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมฮะปัญหาที่เหมือนกับก้อนหินนะก็คือว่าถ้ามาอยู่ของมันอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่คุณไม่เหนื่อยแต่ที่คุณเหนื่อยคุณทุกเพราะคุณไปแบกมัน Uh huh. ส่วนใหญ่เรามักจะโทษว่าเราทุกข์เพราะปัญหาเยอะ ท, ท, ที่ทำงานมีปัญหาน่นที่ทำงานมีปัญหานี้ในครอบครัวมีปัญหาเยอะเราถึงทุกข์และปัญหามักจะเกิดจากคนอื่นแต่เราไม่เคยถามแล้วว่าแล้วเราไปแบงมันทำไมเป็นเพราะเราไปแบกมาตัางหาเราถึงทุกข์ใจถึงหนักอกหนักใจ เมื่อเราเมื่อต่ต่างที่เรารู้ว่าเราตะหนักว่าเราทุกข์เพราะเราแบกนะคำตอบก็คือปล่อยก็จะเบาใจมีผู้หญิงคนหนึ่งน ะ, ะพบว่าสามีเนี่ยนอกใจอยู่กันมาสิกว่ปีนะ<ม>คิดว่าเนี่ยสามีเนี่ยคนเนียคือคนที่ใช่แล้วเธอก็ทุ่มเทกับสามีนี่มากปรากฏว่าเขาทรยศเธอเนี่ยเธอรู้สึกว่าเขาทรยศเธอเ เธโกรธมากเลยนะเธอรู้สึกว่าชีวิต10กว่าปีที่ให้กับผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เนี่ยมันสูญเปล่าจากความรกกลายเป็นความโกรธและความเกลียดขึ้นกูขึ้นเมืองกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็ในสุดก็เลิกกันนะตอนที่ตอนที่เลิกกันเนี่ยเธอคิดว่าเธอคงทําใจไม่ได้แต่ก็ว่าพอเลิกไปแล้วเนี่ยแบ่งสมบาตอะไรเรียบร้อยเนี่ยเธอก็ไม่ได้ถูกอะไร ก็อยู่ได้คนเดียวก็อยู่ได้เธอ ก, ก็เออเธอทําใจได้ดีนะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณสักสองาอาทิตย์เธอไปไปเดินไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมคอร์สปฏิบัติธรรมที่ประมาณ7วันก็มีการเดินจงกรมมีการนั่งภาวนาเพราะว่าแค่วันแรกชนะแล้วนะเธอก็ร้อนรุ่มเลยนะแค่วันแรกเนะี่ยเพราะว่าใจมันนึกถึงอดีตสามีนะที่ทรยศหักหลังเธอที่หลอกลวงเธอ ตันึกถึงแต่ความไม่ดีของเขาแล้วเธอก็รู้สึกร้อนรุ่มมากนึกว่ามันเป็นแค่วันเดียวที่ไหนได้วันที่2ก็เป็นวันที่3ก็เป็นเธอไม่เข้าใจตัวเองมันเป็นอย่างนี้เป็นได้อย่างไรปฏิบัติธรรมมันต้องเยอะวันที่4เนี่ยเธอนั่งขณที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยประมาณชั่วโมงนึงเธอการที่เดินเธอเอามือประสานไว้ที่ข้างหน้าแบบนี้นะเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันเมื่อย เมื่อเธอก็ปล่อยมือเพราะปล่อยมือเป็นไงสบายตรงนั้นงที่เธอได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าออทุกเพราะยึดปล่อยมืออหลรก็สบายเมื่อ น, นั้นตอนนั้นที่ตอนนั้นงที่เธอได้รู้แล้วว่าที่เธอทุกรุ่มร้อนใจเธอไปแบกเรื่องอดีตสามีซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วมันจบแล้วเนี่ยแต่เธอไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง แต่เธอไม่ได้คิดทันทีคิดตอนที่เธอปล่อยมือแล้วมันสบายเนี่ยแล้วเธอก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นเพราะเรายึดนั่นเองเราถึงทุกข์ไปลงด่าสามีต้องนาว่าทําให้ฉันทุกข์ทำให้ฉันรุ่มรอนแต่ที่จริงเป็นเพราะตัวเองหลังคาที่ไปไปยึดมันเอาไว้นะพอเธอรู้เช่นนี้โอ้เธอก็ร้องไห้เลยนะโอ้จริงๆความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะมันเพียงแค่เรารู้จักปล่อยแค่นั่นเองทําไมแบก ทำให้ทำไมในเมื่อแบกทำให้ทำให้ทุกข์แล้วทําไมเราถึงแบกมันในเมื่อไฟมันร้อนแต่ทําไมถึงกำ ม, มันเอาไว้นะเช่นกำฐานแดงๆคาําตอบคือเพราะเราลืมตัวและลืมตัวนี่ก็คือไม่มีสตินั่นเองถ้าเรามีสตินี่เราจะทำแต่ทําให้เราไม่ลืมตัวจะทําให้เรารู้ว่าอันนี้เราทุกข์เพราะเราไปแบก เมื่อคุณรวดทุกข์เพราะแบกนะคำตอบมก็เฉลยอยู่ในตัวว่าถ้าคุณปล่อยมันก็สบายจริงเนี่ยถ้ามีสติตั้งแต่แรกนะมันก็ไม่ไปช่วยไม่ไปแบกตั้งแต่แรกแล้วนะถ้าคุณมีสติคุณจะไปเอาขาเตะหนาได้อย่างไรถ้าคุณมีสตินะคุณจะหยิบทานมาเก็บไว้ในมือได้อย่างไร ถ้าคุณมีสติคุณจะแบกของหนักให้ทุกปอเปล่าไปทําไมแต่พราะไม่มีสติเนี่ยมันถึงไปทําอย่างนั้นนะนั mm ่ hmm. นการมีสติสําคัญมากนะซึ่งสติเนี่ยมันช่วยทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขทําให้เราเนี่ยทำปัจจุบันอย่างดีที่สุดและเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีดังน้ถ้าคุณมีควา ม, วามรู้สึกการรู้จักมองในแง่บวกนะคุณเจออะไรก็ไม่ทุกนะ แม้คุณเจอมะเร็งเมื่อกี้อาตมาเล่าถึงผู้เด็กอายุ21ใช่มั้ยะมีเด็กกันนัดหนึ่งนะ14นะะเป็นผู้หญิงแกเป็นมะเร็งสมองครับอาตมาพาคนไปเป็นจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยหนักคราวนึงก็ไปที่โรงพยาบาลแถวหัดใหญ่จิตอาสาคนนึงก็ยุบประมาณ50ไปเยี่ยมไปเจอเด็กคนเนี้ย ผมแกร่วงหมดเลยแกบอกจะเป็นมะเร็งมะเร็งสมองจิน่นักศึกาแปลกใจมากเด็กคนนี้เนี่ยโอภาปาสายดียิ้มแย้มแจ่มใสชวนแกวาดรูปเล่นเพราะว่าแกงาดิเล็กช่วยให้แกป่วยคือวาดรูปแกแปลกใจคุณไปคุณมาเด็กคนนี้บอกว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งวดรูปมีญาตคุณนึเป็นมะเร็งวัดรูปปวดมากเลย หนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง <S <S 1> <S 1> <ๆ>แต่พูดอย่างนี้นหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะโอ้โ oh หบางคนนี่แค่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปายก็นอนไม่หลับแล้วนะทำไมเป็นชั้นมันต้องเป็นชั้นใช่ไหมคุณในความแตกตานะ่างไหมอันนี้จริงนะเป็นสิวเนี่ยนอนไม่หลับนะแต่คนึีเป็นมะเร็งเนี่ยนะยิบยั้งแจ่มใส คนเราจะสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ขึ้นหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะไม่ใช่ว่ามีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับคุณคุณถึงจะทุกข์ใจไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคุณรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรต่างหากถึงคุณได้ลาบมาสิบล้านแต่คุณวางใจไม่เป็นคุณก็ทุกข์เพราะคุณมองแต่ว่าหรือคิดแต่ว่าคุณเสียใช่ไหมฮะกิตาเาวันนี้เนี่ยแกอึ้งเลยนะเพราะว่าคืนก่อนนั้นเรามีการ ตั้งวงคุยกันเธอบอกว่าเธอจําไม่ได้แล้วโหดแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีปัญหาครอบครัวปัญหาที่ทํางานแต่เจอเด็กคนนี้คนนี้เด็กนี้คนนี้ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะแต่กับรู้สึกว่าแกยังโชคดีอ่ะนะงนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักมองแบบนี้บ้างนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็จะไม่ทุกข์ง่ายๆ และไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีความสุขได้เสมอนะเพราะนั้นเนี่ยจึงอยากจะย้ำว่าเนี่ยอยู่ทุกที่ก็มีความสุขได้นะและอะไรเกิดขึ้นกับคุณใจไม่ทุกข์ก็ได้นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะั่นคือความสูญเสียคือความพัดพลาดนะคือแม้กระทั่งคำตำหนิคำต่อว่าด่าทอนะ ถ้าคุณมองแง่บวกนะคำต่อว่าด่าทอเนี่ยนอกจากไม่ทุกข์แล้วเนี่ยคุณอาจจะขอบคุณด้วยคุณเล็กวิริยพันธ์เนี่ยเป็นเจขอมืองโบราณนะแกเสีชิตไปหลายปีแล้วแกรวยมากนะแต่ว่าแกเป็นคนที่อยู่อยประสมธรรมแกพูดไว้ประโยชน์หนึ่งนะตามาจําได้และไม่ลืมแกบอกว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคล แล้วเรแกวันไหนถูกตําหนิวันนั้นคือมองคลนะเพราะว่าคําตําหนิเนี่ยมันทําให้แกได้มันมัน ม, ม, มีประโยชน์เตือนใจแกได้หลายอย่างเตือนว่าแกอาจจะทําผิดทําพลาดหรือเตือนว่าแกเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้เพราะว่าคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยก็อาจจะมีคนมาพนัพนัมาประจบประแจงซึ่งอาจทําให้ตัวเองเนี่ยหลงตัวลุนตนเชื่อตัวมิเทวดาแต่ถ้าโดนตําหนิมันก็ทําให้ กลับมาได้สติเป็นมนุษย์ขึ้นมาใหม่หรือลรู้สึกตัวเองเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้คุณลองพิจารณาให้ดีนะถ้าใช้ปัญญาเนี่ยหรือรู้จักมองแง่บวกเนี่ยความตำหนิความตอบรับแต่ทอมีประโยชน์ทั้งนั้นนะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าทำให้คุณเห็นว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างแล้วก็อาจจะเป็นการถึงแม้ เราถึงแม้มันไม่มันไม่มีประโยชน์ในแง่นี้เลยนะเพราะมันมีแต่คาด่าๆอย่างเดียวอ่ะคุณก็ทําให้ได้รู้ว่ารู้จักคนด่ามากขึ้นรู้จักว่าเขาเป็นใครมากขึ้นคนเราเนี่ยจะรู้จักกันเนี่ยไม่ใช่เพราะคําชมนะแตมาคิดว่าคนเราจะรู้จักกันเนี่ยก็ต่อเมื่อถูกเขาด่านะ <c oughs> เราจะรู้จักเขาได้มากขึ้นเราไม่รู้จักเขาเลยนะนเวลาเขาชมเราเนี่ยรู้จักได้น้อยแต่เราจะเห็นตัวตัวตนเขาอย่างแท้จริงเวลาเขาด่า เขาด่าอย่างไรนะเขาด่าโดยใช้โดยใช้ด่าโดยโดยอารมณ์ด้วยความอิจฉาด้วยความเพยาบาลนะหรือเขาด่าด้วยความหวังดีมันมีนะฮะเรื่องน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นเนะว่าเออนินทานเนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกพระเจ้าตรัสว่าสารเสงนินทานเป็นของคู่กัน เรียกว่าโลกโล ก, กธรรมทเท่ากันเลยก็ตามที่คุณตระหนักว่าคําดินทาคําตอว่าดาทอเป็นธรรมดาโลกเนี่ยคุณจะหวั่นไหวสะดุ้งสะเทือนกับมันน้อยลงเพราะคุณเห็ว่ามันเป็นธรรมดาและสิ่งเหล่านี้คุณไม่สามารถจะเรียนรู้ได้จากหนังสือไม่ได้ไม่ได้รู้จักธรรมมาแคุณต้องเรียนรู้จากการที่ถูกด่าด้วยตัวเองนะแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เองแม้แต่พู้เจ้าก็หนีไม่พ้น เมื่อคุมมันเป็นธรรมดาเนี่ยต่อไปมันก็ทำอะไรคุณไม่ได้ให้หมองแบบนี้นะฮะคาวิจารหรือคำต่าว่าดาทอเนี่ยมันเหมือนกับหนามแบบหนาทุเรียนทุเรียนเนี่ยนะมันหนามแหลมใช่ไหมฮะเวลามือเราถูกน้ําเนี่ยเจ็บไหมเมื่อเราเจ็บเนี่ยเราทิ้งทุเรียนไปหรือเปล่า คนฉลาดเนี่ยเขาโดนน้าน้ําทุเรียนทิ่มนะทิ่ม네มือนะเขาทิ้งมันไหมเขาท <aine. S 2> ํำยังไงฮะเขาทำยังไงกับทุเรียนนั้นฮะเขาก็พาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาเนื้อมันเปลือกแหลมๆก็ทิ้มมันไปเอาเนื้อมันคําตํำหนิก็เหมือนกันนะมันเนี่ยมันแหลมโดนแล้วเจ็บก็จริงแต่ว่ามันมีของดีซ่อนอยู่ คุณต้องรู้จักเอาน้ำแหลมออกไปเอาของดีมากินถ้าคุณเจอหนามทุเรียนทิมแล้วคุณทิ้งทุเรียนก็ไม่ฉลาดหรือถ้ามีคนโยนทุเรียนทิ้งโยนมาหาคุณนะคุณเอามือรับคุณก็ไม่ฉลาดคุณต้องหลบใช่ไหมเมื่อคุณหลบแล้วเนี่ยคุณเอาทุเรียนคุณทำธุคุณทำงานกับทุเรียนคุณเอาทุเรียนคว้างก่อนหรู้ปะไม่กลับเนี่เพื่อทุเลีงานคุณก็ออกมาฉอบกินใช่ไหม นั่นแหละคุณควรทำง่ายกับคำด่าใครก็ด่าคุณเนี่ยนะคุณอย่าเอาหน้ารับคุณหลบแล้วคุณก็ไม่ต้องมาด่ากลับคุณเอาทุเรียนนั้นเนี่ยมากินอันไหมฮะเาจะมาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะหลวงหลวงพ่อประสิทธิ์าวโรเนี่ยอดีตเจ้าวัดก๊อเกาะสีชังวัดธรรมใจปริกเกาะสีชัง เมื่อสัก4ห้าปีก่อน50ปีก่อนเนี่ยอัตมายอนยุบเยอะนะมาพูดเช่นนี้เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยนะนอกจากบางแสนแล้วก็มีแต่เกาะสีช้าไม่หลาที่เป็นที่ท่องเที่ยวพัทยาไม่มีใครรู้จักใช่ไหมฮะมันเป็นวัดร้างอยู่ที่นั่นท่านเดืเปริ้วหลวงพ่อท่ามนมาเจอท่านก็พยายามฟื้น ฟ, นฟนูบ้านนั้นขึ้นมาเพราะว่ามีผู้สูญเสียผลประโยชน์นักอันตพานมันใหญ่คงอยากจะคุบที่วัดนาะก็พยายามมาทางกดดันขับไล่พระออกไป ด่าพระบางทีพระบินธบทบัตกก็เดินชนบาทกระเด็นพระก็ลม้มลงทำขนาดนี้นะแต่หลวงพอ่อทีหลังท่านก็ไม่อยากสู้รบต่มือกับพวกนี้นะแต่ว่าท่านมองว่าการสร้างว่ามีประโยชน์ต่อผลรุ่นหลังต่อพระต่อชีท่านก็เลยยืนหยัดวันหนึ่งเนี่ยท่านเดินผ่านหน้าอันถม า, านคนหนึ่งนะอันถพานคนนั้นเห็นก็ได้โอกาสนะด่าท่านด่าเสียๆหายเลย คนเาเวลาถุกด่าเนี่ยทำไม่หยัดทำสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือทําเป็นหูทวนลมหรือสองดาา ก, กลับหลวงพ่อท่ า, านไปทำเหมือนกันนะหลวงพ่อท่านเดินไปหาเขายิ้มให้แล้วก็เสร็จแล้วก็ขย่ามือมึงว่าใครมึงว่าใครก็ว่ามึงนะสิท่านยิ้มเลยอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงอย่าด่ากูล้กันนะ แล้วท่านก็เดินจากไปเลยไอ้นายงงในตัวหลวงปู่ด่าใครวะเนี่ยคุณเห็นไหมหลวงพ่อท่านเนี่ยคนโยนทุเรียนมาท่านหลบนะท่านบอกเออแล้ว ด, ดีแล้วที่แท้ก็ดา่ามึงอย่าด่ากูแล้วกันคือถ้าไม่เอาตัวกูรับเนี่ยท่านมองาเออเขาดา่ามึงเขาไม่ได้ด่ากูใช่ไหมแล้วท่านก็ไม่ได้เอาทุเรียนคว้างกลับใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ตรงกับที่ผู้เจ้าสอนผู้เจ้าสอนนะเคยมีเคยมีคนเนี่ย พราหมณ์คนนึงเนี่ยเขาเจ็บแค้นพระเจ้าที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อนเขาเนี่ยทิ้งทิ้งศาสนาพราหมณ์มานับถือพระรัตนตรยัยคงเสียผลประโยชน์นะ<แ>ก็เดินตามดาพรงค์ไปจนถึงเชตวันเลยพระองค์ก็ไม่สนใจไม่ตอบโต้<แ>เขาด่า จ, จนหนำใจแล้วพระเจ้าก็เลยกลับมาคุยกับเขาพระเจ้าฉลาดนะท่านท่านรู้ว่าเมื่อไรควร เมื่อไรควรพูดเมื่อไรไม่ควรพูดนะคนที่กำลังด่าด ๆ, ๆเนี่ยท่านก็ปล่อยให้เขาด่าไปพอเขาด่าจบแล้วท่านก็จะพูดเขาแล้วเพราะตอนนั้นคิดว่าพูดแล้วคงฟังผู้เจ้าถามว่าพราหม์เคยมีคนมาหาท่านที่บ้านไหมมีสิเอบจำได้เป็นคนสิไลไมต่ตองเนี่ยเวลามีคนมาที่ท่านที่บ้านท่านทําอย่างไรข้พาพเจก็เอาน้ำมาต้อนรับเอาของมาต้อนรับขบเขียวผู้เจ้าก็ถามว่าแล้วถ้าเขา ไม่กินน้ําหรือของที่ท่านตอนร้านเนี่ยของนั่นจะเป็นของใครพรามก็พาซื่อต่อบว่าของนั้นก็เป็นของข้าพเจ้าสิผูเจ้าก็เลยบอกว่าเมื่อท่านด่าเราเราไม่รับคําด่าของท่านคําด่านั่นก็เป็นของข้าเป็นของท่า น, นใช่ไหมฮะแต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรที่เราทุกข์เพราะเราไปรับคำด่าของเขาใช่ไหมฮะเขาเขาว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเราก็ เราโกรธเพราะเรารักสมอ้างว่าเราก็เป็นหมูเป็นหมาใช่ไหมอาจารย์ชาบอกว่าเวลาใครด่าว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยก่อนจะโกรธก็คลำก้นก่อนว่ามีหางงอกหรือเปล่าถ้าไม่มีหางงอกก็อย่าไปว่าเขาใช่ไหมมีคนนึงก็พูดให้ดีนะบอกว่าคําด่านี่นะเกิดมาจากจดหมายเนี่ยนะที่ส่งไปยังผู้รับแต่ถ้าผู้รับไม่รับเนี่ยจดหมายนี่าจะไปไหนตีกลับมายัางผู้ส่งใช่ไหม นั่นแหละคุณลองทำแบบนี้บ้างนะเวลาใครด่าว่าคุณคุณก็อย่างแรกทุกคนทำาพือไม่สนใจคือไม่เอาตัวไม่เอาตัวออกรับนะเหมือนกับเขาคว้างทุเรียนมาคุณก็ต้องหลบนะสองคุณก็ต้องหาประโยชน์จากคำด่าว่านั้นนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่จะมาจะจบเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นยากคิดดีดดนะ หลวงพ่อทองรัตน์เนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มัน่นพุ้ทธิ์ผทิ์ทัตโต้ท่านเป็นพระที่แปลกๆนะผงผางและไม่กลัวใครวัน ว, นวนช่วงไหนที่หลวงปู่มั่นไม่แสดงธรรมนะท่านก็จะ่าทางยั่วให้หลวงปู่มั่นแสดงธรรมทำยังไงทราบไหมฮะลงไปอยู่ใต้ลงไปอยู่ใต้ถุนศาลาใต้ถุนกุฏิหลวงปู่มัน่นแล้วก็ทําท่าชกมวยมีการออกเสียงด้วย นะเหมือนกับ ก, กาลังชก ม, มวยพระนะฮะหรือบางทีก็ดังบินทบายวีดีก็วิ่งแซงท่านแล้วก็หยิบแตงกวาในบาดา น, นมาเคี้ยวให้ท่านเห็นกรอบกรบกรบกร บ, ก, รบกว่าได้ผลนะวันคืนนั้นเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่มั่นนี่แสดงธรรมเทศนาต่อว่าพระยาวเหยียดเลยคือท่านอยากฟังนะแม้กระทั่งว่าจะไปคำต่อว่าจับปากหลวงปู่มัน่นท่านก็ถือว่ามีประโยชน์ ท่านทําอะไรแผลงๆโยมไม่เข้าใจนะมีครั้งท่านบินตาบาดอยู่นะก็มีโยมใส่บารสนเท่กในบางท่านท่านรู้เราเกิดอะไรขึ้นนะพอถึงวัดนะท่านบอกเนรพระเนนบอกมาเร็วมาวันนี้ได้อเมริติธรรมแล้วอมริติธรรมมีเทวดาใส่บาดมาให้แล้วก็ท่านก็ผมผมสังฆาตตีนะอย่างดีเลยนะคือเป็นเรื่องที่เรกว่าให้ความสําคัญมากให้เกียรติมาก แล้วก็เอาเนนอ่านดูซิเนนก็อ่านพระผีบ้านะเป็นภาพเป็นเจ้าแต่ไม่สํารวมไม่มีศีลไม่มีวินัยนะขอข้าวชาวบ้านภาพแบบนี้ถึงแม้จะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่นับถือให้ออกไปจากวัดเสียแต่วันนี้ไม่งั้นจะเอาลูกปืนมาฝากเอาลูกตะกัวมาฝากขนาดนี้นะฮะ พอท่านพอเน้นอ่านจบท่านบอกโอ้ดีแท้ๆเนาะแต่ก่อนได้ยินแต่คำว่าโลกธรรมว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เพิ่งได้เห็นนะชัดเจนเลยเนาะโลกธรรมเป็นอย่างนี้เองนะคือคำต่อว่าดาทอนเป็นโลกธรรมโอ้ยของดีนะเนนเก็บเอาไว้นะเอาไปเก็บไว้ใต้ฐานพระเลยนะทูนึงท่านไม่โกรธนะเ้าด่าว่าท่านแรงนะ หนึ่งถ้าไม่โกรธสองท่านเอาคำด่าว่าเนี่ยมาเป็นบทเรียนสอนเนนพระว่านี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมนะให้ถือว่านี่เป็นของดีเก็บไว้ใต้ฐานพระนะคำด่าเนี่ยนะถือว่าเป็นของดีอมฤตธรรมก็คือทาไม่ตายจากเทวดาแค้คนที่ทำยีได้เนี่ยใจท่านใจต้องมั่นคงนะแล้วก็เป็นใจที่เรียกว่าไม่มีตัวตนเห็นไหฮะ เกิดอะไรก็ไม่ทุกนะไม่ใช่ว่าด่าแล้วเนี่ยเลยต้องทุกนะด่าเจอคําด่าเนี่ยทุกหรือไม่อยู่ที่ใจเราว่าเราไปคิดอย่างไรกับคําดานั้นเราไปยึดติดถือมั่นกับมันไหมหรือว่าเราไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีนะเราู้จักใช้ประโยชน์จามันไหมอันละตมาใช้เวลาพอสมควรนะฮะแล้วก็สุบอีกครั้งหนึ่งนะว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขนะแล้วก็เกิดอะไรใจไม่ทุกก็ได้ ทั้งหมดี่อยู่ในความสามารถของพวกเราและส่งต้องเกิดาการฝึกนะฝึก บ, บนะ่อยๆนะก็ข อ, อยุติเพยียงเท่านี้ถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะมีคนสนใจที่จะถามตอบอะไรก็ได้นะก็เชิญนักมสชาการ อ, อาจารย์สมาชิกชุมชนไทย ที่มาร่วมในแะแนที่มาร่วมว mm hmm. างการแสดงธรรมของอาจารย์วันนี้แล้วก็บรรดาเขา i i ้าสู่การคู่สรุจแล้วก็ตอบสนองต่อการตอบสนองท่านที่อูนกแสดงธรรมนั้นมากที่เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อ <kaç> ว <protest antes> ่าพวกเราทุกคนเลี <Salesforce. S 2> ้น้อมรับไปคิดและปฏิบัติให้เป็นไปตามโจทย์ของท่านอาจารย์นะครับ <liches> เื่อโรงานผมผมได้รับผู้เรียนมากขึ้นเดี๋ยวร า, ารการต่อไปนะครับท uh, ่านาจารย์ได้เปิดโอกาสให้พวกเราถามีคำถามจะถามอะไราอาจารย์ก็เชิญ น, น, นะครับใช้ไมโครโฟนให้เสียงท่าน ใ, นใส่ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่พูดก็ได้นะเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะหรือว่าปัญหาชีวิตที่ สามารถจะนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ได้เขอเชิญนะ่ยมเชิญ ปกติเนี่ยเวลามีพระธุรูปเนี่ยเก่าๆหักๆเนี่ยคนก็ไม่กล้าทิ้งขยะนะเขาก็ใช้วิธีเอาเมามาวางไว้นะที่วัดนะวัดอัตมา ก, ก็มีพระธุรูปหักๆกเยอะนะถ้าเป็นผ้าก็มาถวายวัดถวายวัดได้นะแล้วเดี๋ยววัดมีวิธีจัด ก, การเองนะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเขาก็มีวิธีนะประเภทว่า เอาภาพเหล่านี้นะมาบดมามาบดแล้วมาทเป็นพุทธรูปใหม่ได้เห็นไ ม, มีพุทธรูปนี้ทาด้วยกระดาษนะกระดาษพวกนี้เนี่ยส่วนนึงาจะมาจากเนี่ยภาพพุทธรูปที่เก่าๆแล้วก็มามาม า, มาบดมาฉีกให้มันนะแล้วก็มาทำพุทธรูปได้เนเป็นภาพพุทธรูปใช่ไหม ก็าทางที่ดีก็ง่ายๆคือถวายพระแล้วเดี๋ยวให้พระท่านจัดการนะแต่ที่นี่มีวัดไม่รู้ซ้ำไม่ซมีมีวัดสะดวกหรือเปล่าอ๋อถวายถวายถวายไปที่วัดโดยถ้าเป็นวัดที่รู้จักกันยิ่งดีนะมันก็เดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจนะ อาเชิญพอดีจถามให้เด็กคนหนึ่งอะค่ะก็คื อ, อเด็กเด็กคนเด็กวัรุ่นคนนี้ก็เป็นคนที่เคยติดยาเสพติดนะคะแล้วพอวันหนึ่งก็ได้ค่อยพระอหลังจากให้พรก็ทําให้รู้สึกลายใจไม่กล้าเสพยาแล้วก็กลายเป็นหายจากการเสพยาเสพติดได้นะคะแต่ก็ก็ ก็กลายเป็นสรัทธาในเครื่องราขงของขลังแล้วก็ค่อ mm hmm. ยๆศรัทธาไปจนเริ่มเช่ากระดูกผีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะและ้วตอนนี้ก็อยากบวชแต่ในขณะที่บวชก็อยากจะแขวนตะกุดอยากจะอยากจะศึกษาธรรมเพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องราขงของของะะลังค่ะก็เลยอยากจะถาบท่านว่าท่านจะช่วยนําทางได้บ้างะคะ คือก็มาบวชได้นะยังไม่จำเป็นต้องถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ยังไม่ไสละก็ได้ตะกรุดอะไรพวกนี้แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ควรจะมาห้อยติดตัวนะห้อยหมายถึงว่าอาจจะผูกไว้กับเอวหรือว่าแผนคอเนี่ยนะอาจจะเก็บไว้ในที่ที่เก็บไว้ในกระเป๋าอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเพื่อมีปัญญาเนี่ยเขาก็จะ ก็จะปล่อยวางมาได้เองคือเขาจะรู้ว่าสิ่งที่วัตถุมงคลเนี่ยมันไม่ประเสริฐเท่ากับมงคลที่เป็นธรรมะผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยมงคลสูงสุดมีสามสิบประการใช่ไหยเวลาพระสวดเนี่ยมงคลระสวดเนี่ยก็จะสาธยายถึงมงคลสูงสุดสามประการซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกิดจากการกระทําของเราเช่นการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตเพจะรู้ว่าเนี่ย ไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุมงคลเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ยั่งยืนไม่ประเสริฐเท่ากับมงคลที่เป็นธรรมะหรือว่าธรรมะมงคลถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะสละมันได้เองหรือว่าเขาก็จะได้เขาก็จะไม่ยึดถือมันใช่ไหมคือของพวกนี้มันต้องเกิดปัญญาที่จริงวัตถุมงคลที่คนสมัยก่อนเนี่ยที่พระสมัยก่อนเนี่ยแจกญาติยาโยมเนี่ยก็เพื่อเป็นสื่อให้เขา <c oughs> ได้มีศีลมีธรรมเช่นพระจะให้วัตถุมงคลก็จะย้ําว่าเนี่ยต้องมีศีนนะเช่นเอ่อต้องไม่ไปรังแกใครนะไม่รังแกผู้หญิงไม่รังแกเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะคือพระท่านเนี่ยจะจะให้ศีนกากับไปด้วยก็ถือว่าวัตถุมงคลเนี่ยเป็นสะพานเข้าหาธรรมะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแม้ทั้งหลวงหลวงพ่อคูนี่หลวงพ่อคู น, นีนน่ท่านก็ ท่านก็มีธมรรมะให้นะแต่ว่าคนเนี่ยเข้าไม่ถึงใช่ไหมไปติดที่วัตถุ ม, มงคลของท่านนะแต่ว่าธรรมก็คนก็มีคนจอนวนไม่น้อยเนี่ยที่เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วเขาก็ไม่ติดในวัตถุ ม, มงคลอันนี้เป็นเรื่องของปัญญา บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่มายที่สุดนี่ยังไงความความหมายหนึ่งก็คือว่าหมายถึงสติของพระเดียเจ้าหรือพระรหันที่ไม่มีกิเลสเจือพนแล้วนะ <c oughs> หมายถึงว่าเป็นคือเพื่อมีแต่สติล้วนๆ <c oughs> คือไม่ <c oughs> หลับก็หลับแต่ว่าไอความรู้ตัวในระดับหนึ่งก็ยังมีอยู่ รู้ว่าเมื่อหก่อนก่อนหลับเนี่ยหายใจออกนะก่อนหลับนะรู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกเมื่อตื่นขึ้ น, นมานะก็สามารถที่จะระลึกได้ว่าเนี่ยก่อนนอนเนี่ยก่อนหลับเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกความหมายความหมายนึงของสติบริสุคือว่าอันนี้สำหรับนักปฏิบัตินะเวลามีสติรู้ทันอารมณ์เนี่ยเช่นเห็นความโกรธเนี่ยจิตมันเป็นกลางกลางลว้ลวนเลย ปกติคนเราเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยากจะผลักสายอยากจะกดข่มความโกรธนั้นอันนี้ผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยก็จะมีตัวนิซ่อนอยู่คือพอรู้ว่าโกรธเนี่ยก็อยากจะกดข่มความโกรธอันนั้นก็เราะสติไม่บริสุทธิ์เหมือนกับน้ําที่ยังมีน้ํามันเจือปนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปดับไปจัดการกับความโกรธหรืออารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลไม่ได้แต่ว่า ถ้ามีสติบริสุทธิ์ว่าใจมันเป็นกลางเป็นกลางล้วนๆเป็นกลางแท้ๆไม่มีความสึกผักใสในอารมณ์นั้นเลยซึ่งทำให้อารมณ์นั้นเนี่ยสามารถจะดับบู้ลงไปได้เหมือนกับเจอน้ำไฟก็ดับแต่ถ้าน้ำนั้นมันมีน้ำมันมันก็ไม่ดับง่ายๆอาจารย์อริเจา้านี่อหลับนี่ท่านไม่ได้หลับจริงใช่ไหม หลับจริงแต่ไม่ได้หลับแบบหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวแบบแบบแบบที่เราปุ้ติชนเป็นและหลับของไทยก็คือถ้าไม่ฝังด้วยอันนี้พระอรหันต์นะนะเชิญได้มีโอกาสอ่านบทสวดภาวนาโาวนาที่ข้าจารย์แปลาษาองนะครับบทสวดพิเศษนะครัะจะมีที่ที่บอกว่าสำหรับผู้ป่วยหนักแล้วให้ สร้างภาพจินตนาการเห็นแสงสีขาวหรือว่านึกถึงองค์พระศาสนาแต่ละศาสนาที่ผู้นั้ น, น่นัสือค่ะตอนอ่านตอนนั่งมันทำแสงใสนเมืองค่ะว่ามันจะเหมือนเป็นการสร้างขึ้นมนคิดไปเองมันเอาไปเองหรือสร้างสร้างภาพมายาถ้าแล้ว ถ, ถโดยปกติออว่าก็แนะนาให้ผู้ป่วยกาหนดจิตหรือว่ารู้ลมหายใจค่ะ ก็ดีก็ดีแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาหนักทางศรัทธาเราก็ใช้ศรัทธาเนี่ยในการที่จะดึงพลังบวกออกมาคนเราเนี่ยมีพลังบวกและพลังลบพลังลบง่ายๆนะเวลาคุณนึกถึงคนที่คุณเกลียดสมมติคุณมีคนเกลียดสักคนหนึ่งนะคุณนึกถึงเขาเนี่ยนะมันจะทําให้เราเมีพลังลบที่จะ ทำลายเข้าของทำลายคนรอบตัวได้แต่ถ้าเรามีจิตเมตตาเรานึกถึงคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าเรามีจิตศรัทธาต่อใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยศรัทธาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกิดพลังบวกที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะช่วยเยียวยาได้ยกตัวอย่างเช่นหมอคนไข้เนี่ยซึ่งมีศรัทธาในหมอเนี่ยอาการรอดแล้รอดแล้ ว, ล ว, ล ว, ล ว, ลวนั้นเจอหน้าหมอเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยโดยที่หมอยังไม่ทันจะทําอะไรเลย นี่ก็เพราะว่าพลังศรัทธาเนี่ยมันปลุกศรัทธาปลุกพลังบวกขึ้นมาในใจช่วยเยียวยาได้หรือว่าคุณปวดคุณปวดเนี่ยแล้วคุณต้องการยาระงับปวดเนี่ยแล้วหมอให้ยาคุณเนี่ยคุณกินไปคุณก็รู้สึกดีขึ้นแต่คุณไม่รู้เลยนะว่ายาที่ให้เนี่ยมันคือวิตามิน e ที่แป้ทําไมหายอะ่ะทำไมหายปวดอะ่ะใช่ไหมศรัทธาใช่ไหมว่าคุณมีศรัทธาในสิ่งใดเนี่ย ในทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายว่ามันก็สามารถจะสั่งหลั่งสารบางตัวออกมาที่ช่วยเยียวยาความปวดได้นะอันนี้วิทยาศาสตร์เขาเขาเขาเขาอธิบายแบบนั้นแต่ทางพุทธศาสตรอธิบายว่าเมื่อมีศรัทธาก็เกิดปราโมทปราโมทก็เกิดปราโมทคือความช่มชื่นเมื่อปราโมททาให้เกิดความปิติคือความอิ่มเ อ, อิบมันใกล้กันมากนะปิติแล้วก็ปัสจัติคือความผ่อนคลายกายและใจแล้วจะเกิดสุข และสมาธินี่คำอธิบายแบบพุทธเคลื่อนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าเกิดว่าคุณมีศรัทธาในสิ่งใดเนี่ยนะคุณจะรู้สึกดีขึ้นทั้งกายและใจเพราะมันเกิดปราโมทย์ปิติปสัสสธิสุขสมาธิใช่ไหมแอ้เวลาทำ โ, โพวาเนี่ยจริงๆก็คือว่าเป็นการปลุกพลังศรัทธาขึ้นมาในใจคุณด้วยการนึกถึงคนที่คุณศรัทธานับถือเช่นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อทวดเจ้าแม่กอิมใช่ม และพลังศรัทธาเนะี่ยมันก็นำไปสู่เนี่ยปราโมทปิติประสติสูตใช่ไหมซึ่งมันช่วยเยียวยาความปวดได้หรือความทุกข์ใจไดน้นี่คุณว่าคุณพูดว่าเนี่ยใช้ใช้สมาธิตาลงหายใจก็ก็ได้อันนั้นคือสตินะคือพลังบวกมันมันมีหลายอย่างสติสมาธิศรัทธาเมตตาใช้ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่ที่ว่าใครเนี่ยเาจะเาจะหนักไปทางไหน หรือว่าอยู่ที่ว่าคุณจะไม่อุบายในการดึงมันเข้ามาไหมออกมาไหมนะถ้าคุณสามารถที่จะดึงให้คุณท่ายเกิดศรัทธาหรือว่าเกิดเมตตาหรือว่าเกิดสมาธินะมันช่วยได้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มันมั น, ม, นมันขึ้นอยู่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นใครแล้วขึ้นอยู่ว่าคุณถนัดแบบไหนในการที่จะใช้ธรร ม, มะเนี่ยช่วยเขา ก็เชิญตพระอาจารย์มาเีใช่ครับว่าให้ความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่สมมติติว่าผมมีของ2สิห่รือวผมถ้าผมรู้สึกเฉยเนี่ยแล้ววันหนึ่งถ้ามาหายไปผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าถ้าถ้าทุกๆวันเนี่ยผมมีความสุขกับมันมากๆมากๆเแล้วถ้าหนึ่งมันหายไปเนี่ยผมว่าผมอาจจะแบบเศร้าที่แบบรู้สึกเฉยกมัยนะครับ อ, อันนั้นก็ต้องใช้ธรรมะอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคือการปล่อยวางใช่ไหมคือธรรมะถ้าคุณใช้ในถูกกรณีเนี่ยมันช่วยเมื่อคุณรู้สึกเออคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีนะก็ะทำให้คุณมีความสุขแต่ว่าถ้าคุณไปยึดติดในสิ่งนั้นเนี่ยอันนั้นก็จะเกิดโทษขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่านะบอกว่า 1. วิธีท่าทีต่อความสุขมีห้ามีสีประการนะหนึ่งอย่าหาทุกขมาใส่ตัวหรือว่าอย่าซ้ําเติมด้ยวยความทุกสองอย่าปฏิเสธความสุขที่ที่มีโดยชอบธรรมความสุขที่ได้มาโดยชอบทำเนี่ยก็คือด้วยด้วยสีด้วยด้วยความสุขศาสตรจุดจีจจนเนี่ยคุณอย่าปฏิเสธใช่ไหมแล้วก็สเนี่ยนะ อย่ายึดติดในความสุขนั้นข้อสองข้อสามเนี่ยนะมันต้องควบคู่กันนะผู้เจ้าบอกว่ า, วาเนี่ยอย่าปฏิเสธความสุขที่มีชอบทำรู้จักรู้จักหาความสุขที่มีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณมีเงินเนี่ยสมยทุกการมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยรวยมากเลยแต่ว่าไม่ยอมใช้เงินเลยกินข้าวปลายหับนะเสื้อผ้าผปลูกป่ากดูอย่างลําบากเหมือนก็นยาจกตายไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็ตกเป็นของหลวง ผู้เจ้าตัด ว, ว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนโง่พู้เจ้าตําหนิว่าไม่รู้จักเลี้ยงตัวให้มีความสุขการเลี้ยงตัวให้มีความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่พู้เจ้าสรรเสริญนะแต่คุณไม่ได้เลี้ยงตัวคนเดียวให้มีความสุขคุณต้องเลี้ยงบริษัทบริวารด้วยมีเงินต้องใช้เพื่อหาความสุขนะแต่อย่าเสพสุขจนจนลืมตัวเพราะมีข้อที่3คืออย่าเป็นทาดความสุขนั้นหรือว่าอย่าสงมมวมว่งกับมัวเมาในความสุขนั้น คุณมีเงินคุณต้องใช้เงินเพื่อหาเพื่อสร้างความสุขให้คุณเลี้ยงตัวให้มีความสุขแต่อย่าเปลนเปล่าเพราะนั่นจะกลายเป็นสยบมัวมาในความสุขแล้วข้อที่สกนะต้องรู้จักดับทุกข์ให้หมดไปนะแล้วเนี่ยที่คุณถามมาเนี่ยนะก็คือข้อ2เนี่ยก็คือว่ามีความสุขก็อย่าปฏิสไความสุขต้องรู้จักชื่นชมมันแต่คุณอย่าลืมข้อสาคือว่าอย่าสยบมัวมาในความสุขนั้นก็คืออย่าอย่ายึด ต, ติดในความสุขนะ มีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะชวนทําความสงบด้วยการเจริญสติสักพักนะสัก5นาทีให้เราได้รู้จักน ะ, ะความสงบใจเพราะเพราะว่าอาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ในเรื่องใจทั้งนั้นแหละว่ารู้จักวางใจและการวางใจอย่างหนึ่งนะที่สําคัญคือการรู้จักทําใจให้สงบได้นะก็ใช้เวลาไม่มากนะสัก5นาทีนะ ให้เรานั่งหลับตานะหลับตาพริ้มยิ้มน้อยๆทำกายให้ผ่อนคลายรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นที่ใบหน้าคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าหรือแต่เพียงรอยยิ้มน้อยๆรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่ต้นคอหัวไหล่ แขนและมือทั้งสองข้างให้ความรู้สึกผ่อนคลายไล่ลงมาที่หน้าอกช่องท้องต้นขาและปลายเท้าหายใจสบายๆรับรู้หลหายใจที่เข้าและออกหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึก ไม่ต้องถึงกับไปบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจเพียงแค่รับรู้อาจจะรับรู้ถึงลมเคลื่อนไหวที่ปลายจมูกหรือรับรู้ถึงลมที่เคลื่อนไหวไปที่ท้องออกมาที่ลําคอแล้วกระทบปลายจมูกวางความนึกคิดต่างๆลงชั่วคราวเรื่องราวที่เราได้ได้ได้ฟังมาตั้งแต่เชา้าจนถึงมัตส์ครู่งคอยวางเอาไว้ เสร็จการบรรยายนี้แล้วเราจะไปไหนทำอะไรพบ ก, กับใครก็ขอให้วางเอาไว้ก่อนหากว่าใจเผลอคิดนึกไปก็ไม่ต้องทำอะไรกับความคิดนั้นไม่ต้องกดไม่ต้องโขมแค่ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจรับรู้ลมหายใจที่เข้าแลออกเสมอว่าลมหายใจนี้เป็นบ้านใจของเรานั้นเนี่ย เหมือนกับคนจรจักก็คือว่าไร้บ้านท่องเที่ยวตุระตุเร่จนบางครั้งก็กระเซิรกระเซิงผลที่เกิดขึ้นมีความอ่อนล้าให้พาใจเรากลับมาอยู่กับอยู่กับบ้านบ้านนั้นคือลมหายใจ เมื่อใจอยู่กับกายคือลมหายใจก็จะได้พักจะรู้สึกถึงความอบอุ่นมั่นคงและโปร่งเบาถึงแม้ว่าใหม่ๆนั้นใจจะไม่ค่อยยอมอยู่บ้านเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เด็กใจแต่อยู่บ้านก็ไม่ได้แต่ว่าออกไปเที่ยวไหนก็รู้สึกเหมยละ เขาจะออกไปไกลแค่ไหนเมื่อรู้ตัวรู้ทันก็ดึงใจกลับมาชวนเขาเบาๆไม่ต้องบังคับให้เขากลับมาแนบแน่นอยู่กับลมหายใจแค่รับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าแลวออกก็พอแล้วจะคิดไปไกลแค่ไหน รู้ตัวก็กลับมาไม่ต้องไปสนใจว่าเมื่อสักครู่คิดอะไรทำไมถึงคิดเพียงแต่หันหลังให้กับความคิดนั้นรับรู้แค่ลมหายใจก็พอรับรู้เบาๆสบายสบาย ค่อยๆลืมตาขึ้นนะแล้วก็ให้เรารักษาความรู้สึกตัวหรือสติเนี้อไว้นะประคองความรู้สึกตัวเนี้อไว้ให้ต่อเนื่องนะจนทั้งผ่านเรากลับสู่ที่บ้านได้ด้วยใจที่ปกติแล้วก็เวลาทำอะไรก็พยายามมีความรู้สึกตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะนี่คือหลักการจิตสติง่ายๆ อาบน้ำถูฟันทำครัวกวาดบ้านใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นจะพึ่งไปคิดอะไรอันนี้จะเป็นวิธีการฝึกให้เราเมีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็มีสมาธิตึงเวลาจะใช้สติสมาธิในการทำงานก็จะทำได้ดีขึ้นถึงเวลาจะใช้สติในการปล่อยวางอดีตและอนาคต หรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถทําอย่างนั้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะให้ทําให้มีความรู้สึกตัวหรือว่ามีสติกับการทํากิจการงานต่างๆอย่างต่อนเนื่องเท่าที่เราทําได้ทั้งวันและจากหนึ่งวันก็เป็นสองวันเป็นสามวันเป็นสี่วันและสติที่เรารักษานี่แหละนะจะช่วย ร, รักษาเราในที่สุดนะให้เรามี ความสุขความเย็นความสบายเมื่อเราอยู่ที่ไหนนะใจก็เป็นสุขได้อยู่ทุกที่ก็มีสุขนะเกิดอะไรใจก็ไม่ทุกข์ก็เพราะว่ามีสตริรักษาใจนะเราก็คอยุติการเป็นยาเสพติดคนนี้เจียงพอ